มรสการพระกุณเจ้าที่เคารพลแล้วก็นโมตนาบุญกับเจ้าของบ้านนันทวันที่ได้เพื่อเฟื้อสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็นโมตนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท, ท่านที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมรู้กายรู้จิตสิ้นทุกข เรามาที่นี่ก็บางท่านก็คงจะได้เคยเห็นกันมาบ้างมันคุ้นๆหน้าก็รู้สึกยินดีนะที่ได้กลับมาที่บ้านนันทวันอีกครั้งหนึ่งมาที่ไรก็เห็นความเป็นอนิจจัง ความเปลี่ยนแปลงของสถานที่แห่งนี้ก็ต้งองเจ้าของหน้าตาเบิกบานขึ้นคงจะเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงของโลกและชีวิตบ้างมากขึ้นแล้วก็ญาติธรรมหลายท่านก็ยังสนใจธรรมะยังเห็นสาระ ของการปฏิบัติธรรมการฟังธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์มันมีคำถามมาเก็เจอคำถามบ่อยๆเขาก็จะถามกันว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสิ้นทุกข์ได้อย่างไรมีใคร อยากถามไหมถึงไม่ถามก็จะตอบถ้าผมตั้งคำถามเองผมก็ต้องตอบเองมันเป็นกรรมของเราน ะ, ะการปฏิบัติธรรมมันสิ้นทุกได้อย่างไรให้เป็นคาถามก็ก็ต้องถามอีกอะเรา เป็นทุกข์เพราะอะไรล่ะยายทารู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะอะไรลองถามตัวเองแล้วก็ไม่ต้องตอบนะนี่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริง เราไม่รู้จักตัวเองเมื่อไม่รู้จักตัวเองก็จึงเกิดความเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นตัวเราว่าเป็นของเราจริงๆกล <c oughs> กายจิตเราเนี่ยมันเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเราเป็นเจ้าของใครมาว่าก็ไม่ได้ใครไม่ชม ว่าสวยว่าหลอก็ไม่ได้ใครนินทาก็ไม่ได้ใครเอาของเราไปก็ไม่ได้แม้กิเลสของเราแท้ๆใครจะเอาไปใช้เราก็หวงกลัวกิเลสในใจเราจะเศร้าหมองเพราะเราไม่รู้จักตัวเราตามความเป็นจริงจึงเกิดการยึดมั่นถือมั่นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยในภาษาธรรมะนะ เขาเรกว่าอุปาทานเคยได้ยินไหมอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอันนี้มันเป็นเ อ, อเป็นสาเหตุใหญ่เลยเพราะความยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้เนี่ยอันนี้เราฟังไว้เป็นเป็นหลักไปก่อนนะไอจะทําใจได้หรือไม่ได้นั้นอีเกเรื่องหนึ่งเนี <c> ่ย <oughs> วันนี้ก็มาพูดเป็นแนวทาง เป็นแนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางคำตรงข้ามกับความยึดมั่นถือมั่นคือการปล่อยวางมันตรงกับคำตอบในใจใครไหมถ้าใครมีความเห็นตรงว่าความไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนั้นทำให้เกิดทุกข์เนี่ยอันนี้มีสิทธิที่จะสิ้นทุกข์ได้นะ ใครอาจจะมองเห็นสาเอกน่นไม่หยหรอกสาเหตุอื่นก็เป็นส่วนประกอบที่ชี้นำไปสู่ความสิ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรมก็หลายคน ก, ก็เคยตอบแบบนี้และเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักตัวเองดีแล้ว <c oughs> ก็เห็นเห็นกันอยู่ทุกวันเนาะตัวของเราดูกระจกทีไร น, นี่ก็คือตัวเรา กระจกมันก็ไม่ได้บอกเรากระจกมันแค่สะท้อนภาพเราเราก็ว่ามันคือตัวเราอยู่ในกระจกเป็นตัวเราอยู่ในกระจกไอที่มาวันนี้ก็ออกนอกกระจกมาเหรอคิดว่านี่ชื่อของเราเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเรามีอาชีพอะไรเนี่ยมันมีเราทั้งหมดเลย มันยิงเหนียวแน่นฝ่ายความเป็นเราเแต่ที่เราคิดว่าอย่างนั้นนะมันเป็นความคิดทั้งหมดแหละคิดว่าเป็นเราทั้งหมดมันเป็นตัวเราโดยสมมุติร่างกายมันก็ไม่บอกว่ามันเป็นตัวใคร <c ười> จิตใจมันก็ไม่บอกว่าเป็นจิตใจของใครใช่ไหแต่เราไปตู่ไปยึดติดว่ามันเป็นของเราโดยสมมุติเพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเรียกขานกัน ก็มีการตั้งชื่อถ้าไม่ตั้งชื่อจะเรียกถูกไหมคนคนคนมา น, นี่ที่คนคนแบ่งเพศแบ่งไวัย ต, ต่างๆ น, นี่ก็เป็นเรื่องสมมุติมันจริงจริงโดยสมมุติแต่ก็ยังไม่จริงแท้ถ้าจริงแท้เนี่ยจริงโดยปรมาธรรมปรมาธรรมคือสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน เป็นสิ่งที่จริงแท้แต่เราก็สมมติเรียกกันเพื่อจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปกติอั น, นจริงจริงไม่มีหลักตัวเรามันเป็นสิ่งสมมติเอามาใช้พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ตัสรู้หรือไม่นั้นสิ่งนี้ก็มีอยู่ก่อนกายจิตเนี่ยมีอยู่ก่อนก็เรียกว่าเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีมีอยู่แต่ว่ามีแบบชั่วคราวไม่เป็นตัวไม่เป็นตนจริงๆอันนี้คือของจริงกระว่าโดยสัสจจะโดยสมมุติโดยปรามัดนั่นมันไม่ใช่เป็นของจริงแต่ที่ไม่ใช่ถ้าเข้าถึงตัวนี้ได้แล้วก็สิ้นทุกข์ได้ก็เป็นแค่ของชั่วคราวของยืมมาใช้ กายกับจิตเนี่ยเหมือนเหมือนบ้านเหมือนบ้านชั่วคราวอาศาัยอยู่เดี๋ยวมันก็พังเมื่อบ้านพังเจ้าของบ้านก็อยู่ไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้เราเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรา <laughs> <c oughs> ก็ต้องอาศาัยการปฏิบัตินะอาศัยการสังเกต ด, ดูต้องเข้าไปดู จะรู้ว่าอะไรไปอะไรต้องไปดูไปเห็นไปสัมผัสมันคิดนึกออกไม่ได้แม้แต่คิดได้แต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้หลายคนก็คิดว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นโทษมันทำให้เราตกต่นโลกให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจโรคไปก็เจ็บมากมายหน้าแก่ง่ายตายไวอะไรยเงี้ยเราก็ไม่ไม่อยากโกรธนะ แต่มันก็ห้ามไม่ได้มันต้องมีความโกรธอยู่เลยเห็เพราะเราไม่ได้สัมผัสกับความโกรธว่ามันร้อนแค่ไหนไฟมันร้อนเรารู้ว่าไฟร้อนถ้าเรารู้เพียงแค่คิดเอาเฉยๆเนี่ยมันก็ยังต้องเล่นอยู่กับไฟจะว่าสัมผัสเอามือไปแตะมันอ้มันร้อนจริงต่อไปไม่จับอีกแล้วนะมันต้องสัมผัส แค่คิดเอาเนี่มันยังไม่ไม่ใช่ของจริงคิดว่าร้อนกับรู้สึกร้อนเนี่ต่างกันไหม <c oughs> คิดว่ามันร้อนเนี่ยแต่ยังไม่รู้สึกนะถ้ารู้สึกว่าร้อนเนี่ ย, ยังไงก็ไม่จับไม่แตะอย่างนี้ผมหลายครั้งคิดว่ามันร้อนก็น้าน้ำร้อนใส่แก้วไปอุ่นๆเนี่ยนะเราก่โอ้นี่มันควันขึ้น คิดว่ามันร้อนนะก็มันก็อดลองไม่ได้นะมันร้อนขนาดไหน <c oughs> ก็ลองจิบดูเงยหน้า ด, ดูไปดานสวยไปดานสวยนะเนี่ยนะอปาปากกว้างจะได้คลายความร้อนไปดานสวยนะนคุณแม่ผมเรียกว่ามันถึงบางตาเหลือกนะโอ้นี่มันร้อนจริงๆต่อไปไอ้ควันแบบเนี้ยเราต้องดืงไม่ไดนะ้น้ำนี่อันตรายน้ำอันตราย ต้องสัมผัสรู้เลยการสัมผัสรู้เนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัติแค่สังเกตเนี่ยมันยังไม่พอนะต้องเข้าไปสัมผัส <G un> สังเกตมันแค่เห็นกลางนอสัมผัสี้แตะชิมต้องเข้าไปชิมร้านอาหารที่นันทวันนี่ก็จัดอาหารสวยดูมันน่าอร่อย มันก็แค่อร่อยวันน่อร่อยมันต้องลองชิมดูโอ้นี่อร่อยอย่างงี้สัมผัสรู้อย่าไปคิดเอาการจะรู้ว่ า, าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นหรือเกิดจากที่กาที่จิตนั้นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตแล้วก็สัมผัสด้วยความรู้สึกของเราเขาเ ร, าารียกว่าการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการเอาจิตมารู้ความจริงเอาจิตมารู้ความจริงของตัวเราเนี่ยที่นี่ก็มีการปฏิบัติธรรมเนาะมาที่ไรก็มีนักปฏิบัติแต่ก่อนก็นั่งกับพื้นแต่นี้พัฒนาขึ้นก็นั่งเก้าอี้ก็มีการปฏิบัติโดยการ อาศัยสติสติเข้าไปรู้เรื่องของกายเรื่องของจิตเนี่ยกายกับจิตมันก็ไม่ใส่ชื่อยังไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงมีแต่กายกับจิตสองอย่างคนเรามีสองอย่างคือกายกับจิตหรือรูปกับนามเท่านั้นเองสองอย่างจึงเรียกว่าเป็นคนสมมุติว่าเป็นคนการปฏิบัติธรรมก็ต้องเนี่ยเอาสติมาดูตรงเนี้ยดูกายดูจิต มันรู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตคือการปฏิบัติตนเองนเองการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตนเองปฏิบัติที่ไหนไม่ใช่ที่บ้านอะุทวันที่กายที่จิตปฏิบัติเมื่อไรเมื่อขณะปัจจุบันถ้านอนหรือจะปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นความคิดทั้งหมดปฏิบัติเมื่อขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เฉพาะหน้าจะได้ของจริง เฉลยนี่เป็นแล้วหรือก่อนนี้เป็นความคิดทั้งหมดก็ยังไม่ใช่ของจริงแค่เนื้อคิดเอายังไม่จริงการปฏิบัติธรรมคือการทำบุญให้กับตัวเองทำบุญกับตัวเอ ง, เองถ้ามีการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการภาวนาทำบุญให้กับตัวเองเป็นบุญสูงสุดบุญสูงสุดคือบุญที่เกิดจากการภาวนาคือการปฏิบัตินี่แหละ จะได้รู้ความจริงตอนนี้เราสังเกตแล้วก็เข้าไปสัมผัส ด, ด้วยสติหรือความรู้สึกตัวมีสติรู้ลงไปที่กายที่จิตในขณะที่เกิดขึ้นปัจจุบันเฉพาะหน้ารู้เฉยเฉยเนะี่ยรู้ธรรมดารู้เป็นปกติรู้สึกเฉย รู้สึกธรรมดาที่ไม่มีการปรุงแต่งของอารมณ์และความคิดพอใจไม่พอใจทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นหลักคือรู้สึกตัวหรืออาจจะมีคำบริกรรมคำบริกรรมนี่ก็ช่วยช่วยให้เกิดสติรู้แล้วก็จิตมันตั้งมั่นขึ้นได้ง่ายคำบริกรรมช่วยในการทำให้จิตมันตั้งมั่น ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมันก็จะเห็นอะไรได้นานเห็นได้ชัดเจนเห็นได้ไวพอมีทั้งสติมีทั้งสมาธิรวมกันจิตมันก็ตั้งมั่นได้ง่ายน่าใส่คำบริกรรมก็ได้แต่ก่อนจะบริกรรมนี่มันต้องรู้ก่อนรู้แล้วก็ถึงมีคำบริกรรมต่อไปถ้าบริกรรมก่อนรู้นี่มันก็เป็นความคิด <c oughs> ต้องรู้กอนแล้วมีคำบริกรรมตามมาเป็นการทาให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นหน่อยรู้และบริกรรมคาว่ารู้เนี่ยมันเป็นตัวปรมัตรธรรมคือรู้แต่บริกรรมก็เป็นสมมุติที่อาศัยการทาให้จิตนี่เจริญได้สองอย่างรวมกันรู้แล้วก็มีคำบริกรรมโดยสมัย ก่อนนี้เราเคยเนี่ยช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยวันอาสารหาบูชานี่ยผู้เจ้าเทศกันแรกวลัวปฐมเทศนาว่าโดยเรื่องทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือธรรมจักกะปะวัตรสูตรก็ได้เนี่ยเทศกันแรกเรื่องทางสายการตรมีผู้ฟังแค่ห้าคนนะเนี่ยมีห้าคนเนี่ยโอ้นิษเยอะเลยมากกว่าหคนอีก เวลคนสมัยก่อนมีสนใจแค่ห้าคนนะตอนนี้โอ้เยอะมากเลยนะเปรียบเทียบกันห้าคนเรียกว่ามีอัญญากกณัญญปะปปะพัติยะมหานามาสัจชิห้าคนฟังอยู่พระเจ้าเทศกันแลกจบอัญญากณัญญะมีดวงตาเห็นธรรมจากห้าได้หนึ่งนี่ก็โอกุ้มข้าแล้วเนาะ นี่เท่าไรเนี่ยวันนี้น่าจะได้มากกว่าหนึ่งเลยแต่ไม่ได้อะไรไเลยหรอกเพราะไม่ใช่ผูเจ้าเทศคนพิการพูดไม่เป็นไรพระเทศจบอัญญาโกตัญญะมีดวงตาเห็นธรรมพระุทธองค์ท่านตรัสได้ว่าพระทันทีว่าอัญญาสิวัตโกตัญโยัญญาติวัตโกตัญโยัญญาโกตัญญะรู้แล้วหนอ อัญญากเนีิยรู้แล้วหนอะเห็นไหม <c ười> มันต้องรู้ก่อนรู้แล้วก่อนแล้วจะมีหนอะตามหลังเห็นไหมเราไม่รู้เวลาเดินเราก็รู้แล้วเราก็มีคำบริกรรมสรมทับต้องรู้ก่อนนะถ้าว่าหนอก่อนเนี่ยมันคิดแล้วถ้าคิดก่อนเนี่ยบางทีไม่รู้อะคิดด้วยความเคยชินนะมันก็จะหลงคิดไปต้องรู้แล้วก็คิดมารู้ต่อ บริกรรมตามไปเลยอาศัยกันเนี่ยง่ายเดียเ๋ยวนี้เนี่ยอาศัยกันรู้แล้วก็มีคำบริกรรมตามรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะเนี่ยผมเคยเมื่อไม่นา น, นผมไปดูเราอบรมเนนอบรมเนนเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนวัดใกล้ๆบ้านเนี่ยใกล้บ้านผม้คอร์สปฏิบัติธรรม สามเณรนะสามเณรเน ย, นะเนยนบวชพระรุล้อนเนี่มันก็ไม่ต่างอจากเด็กกันนะจับปูใส่กระด้งมันเลยนะ อ, นอุ่นวายพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องเก่งมากจะต้องสนกว่าเนรดังนั้นจะจับเณรไม่ทันทนะพ่ะคุณเจ้าที่นี่คงไม่ไม่ไม่มากนะไม่มา ก, กเราจับทางเราได้โอไปดูแล้วสงสารพระพี่เลี้ยง คอยต้อนเนนค่อยจับปูใส่กระด้งก็ไปดูเขาฝึกวิธีการปฏิบัติธรรมแบบมีคำบริกรรมนั่งบริกรรมแล้วกันตอนนี้เด็กมันก็จะหลับเนาะเด็กก็คือเด็กกัรธรรมชาติมัก็แล้วเข้าไปเอาไปเดินจงกรมเดินจงกรมก็ให้ผู้พร้อมกันว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ เด็กมันก็พูดได้ เ, เพูดได้ตาลอยไปไหนด้วยห้อยย่างก็ย่างเนอแล้วมีเด็กอยู่คนแก่นเนยอยู่คนแก่มากเลยไก่ย่างหนาไก่ย่างเนอพระพิรันหเห็นออกมาซะดีๆไอ้ไก่ย่างนาเนี่ยภาษาเนนะบอกไปเดินจงกลมรอบเมนโอ้โหเด็กกับเมนเนี่ยไม่ถูกกันอยู่แล้วมันถูกแต่เมื่อเวลาที่โปรยทานนะนะชอบไปรอรับเศษบุญ ไปเดินอยู่ันเดียวเนี่ยเดินไปย่างหนออยู่รอบเดียวพาไปเรียนกลับมาเห็นอะไรบ้างมันก็เห็นความกลัวนี่เห็นไหมไอความผิดถ้าไม่เกิดปัญญาความผิดเห็นความกลัวเห็นความกลัวเห็นความกลัวแล้เนมว่าอย่างไงหบอกก็กลัวบอกลัวหนอสินะพรากลัวอารมณ์กลัวคือนในใจก็รู้รู้ว่ากลัว แต่ถ้ามีคำบริกรรมไปช่วยอันกลัวหนอได้สติหนึ่งนะได้ปฏิบัติหนึ่งครั้งแล้วก้าวอีก9หนึ่งย่างหนอมันไม่ดู ก, การย่างแล้วอยู่กับจิตที่คิดกลัวนะดูกายแท้ๆนะกับอารมณ์ของอารมณ์จิตเนี่ยคือกลัวเนี่ยมันรุนแรงมากก็เห็นจิตที่มันกลัวกลัวหนอแล้วในหนยกลัวไหมไม่กลัวนะ คือคือเทษที่ไม่หายกลัวกลัวหนักเขาอีกด้วเนื่องจากว่าประสบการณ์การปฏิบัติยังไม่ช่ำชองก็กลัวหนักกลัวกลัวจนกระทั่งมันเข้าไปในความกลัวไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ความกลัวมันเข้าไปเป็นผู้กลัวเลยไม่ได้ดูอ๋อเห็นความกลัวความกลัวเกิดขึ้นที่จิตเป็นนามธรรมนะไม่ได้เห็นตรงนั้นมันเข้าไปเป็นผู้กลัวซะก็เลยกลัวตลอด การเดินจงกรมแล้วอะไรที่มันเด่นความกลัวเด่นหนอไม่รู้หายไปไหนเพราโมแต่กลัวนะั้นหนอนึกไม่ออก่ว่าเข้าสู่ตัวปรัชธร ร, ร, รมเลยนะสู่ตัวปรมัดคือความกลัวแต่ว่าไม่ได้อยู่ข้างนอกเข้าไปเป็นความกลัวซะไม่ได้เป็นผู้กลัวนั่นสา ม, มัญนณนแต่ถ้าเขาไม่ไม่ทอดทิ้งการปฏิบัตินะ ถ้าไปวัดเรื่อยๆเนี่ยครูพี่เลี้ยงแนะนําวิธีการเห็นความกลัวแล้วก็ไม่เป็นผู้กลัวเนทํำยังไงเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นแต่เน้นมันก็สามารถที่สั้นนะพอนับเวลาเจ็ดวันสิบห้าวันก็จะสึกแล้วไปเล่นลูกข่างดีกว่าไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่ธรรมชาติของเขาอะนะมันต้องรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยมันจะไม่เห็นถ้าไม่รู้แล้วไม่เห็นนะมันจะไม่เห็น เมื่ไม่เห็นเนี่ยเราเข้าเขาไปยึดมั่นถึงมั่นเลยก็ไม่รู้ความจริงในสิ่งที่เราดูการมีสติรู้กายเนี่ยรู้กายก่อนเรื่องพอรารู้กายอย่างเดียวเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยมันมาเข้าแถวให้ดูเหมือนอย่างเนนเนี่ยนแค่รู้กายยากนะเห็นความคิดทิมกลัวไหมเป็นอาการของจิตมันเกิดขึ้นมามันเด่นเมื่อมันเด่นเนี่ยมันก็เห็นชัดเห็นจิตชัดกว่าเห็นกายได้ซ้ำไป ไม่ต้องไปเจตนาดูความกลัวดูรู้กายรู้กายให้มันชัดให้มันชํานาญให้มันเกิดความเคยชินที่จะรู้กายจิตจะได้ตั้งมั่นอยู่ที่กายโดยไม่หลงไปกับความคิดหรือความกลัวต่างๆเพอจิตตั้งมั่นเอากายเป็นฐานแล้วเนี่ยเรื่องของความที่ต่างๆอาการของจิตเนี่ยมันจะมาแบบห่างๆและมาเล็กๆพเพราะยืนอยู่บนฐานที่มันมั่นคง มันคงมันก็จะไม่ออกจากฐานเรายืนดูอยู่เห็นอยู่แล้วอารมณ์ผ่านมาก็จะผ่านไปเฉนจิตนี้เกิดดับได้ง่ายมากนี่เป็นเทคนิคนะเ mm hmm. พอจะเข้าใจไหมโอ้จะจะเข้าใจงี้มีจิตสิ้นทุกข์ได้ <laughs> ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะฟังต่อไปเถอะมันจะงงไปเรื่อยแหละ <laughs> พูดพูดไปให้ง่งนะเนี่ย <laughs> ถ้าใครใครง่วงก็ให้รู้ไปจ ะ, จะปลกุกด้วยแสงแห่งธรรมะใสออร่าอะไครับใช้ธรรมะเนี่ยเป็นออร่าขึ้นแสงนวนลอะไถ้าเรารู้สึกอยู่กับกายที่มันเคลื่อนไปเนี่ยท้องที่มันยุบหน่อพ้องหน่อมันก็เคลื่อนเท้าที่มันก้ามก็เคลื่อนลมหายใจเขาออกนี่ก็เคลื่อนไหวหรู้สึกอะไรเนี้ย รู้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้แหละแต่การรู้นี่ไม่ใช่รู้แบบเพ่งหรือไปจับไปกดไปขมรู้เบาๆรู้เล่นๆรู้สบายๆแบบผ่อนคลายจิตมันจะได้ไม่ถูกบีบคั้นไปรู้แบบเพ่งแบบกดเนี่ยเรียกว่าเอาจิตไปติดคุกมันก็เครียดยจิตต้องรู้เบาๆใช่ไหมเนี่ยเวลาเราดูอะไรถ้าตั้งใจดูเนี่ยโอ้มันจะเครียดมากเลย ถ้าดูแบบรวมๆแบบสบายๆเนี่ยเราจะดูแบบผ่อนคลายและดูได้นานนั่นดูละครแล้วดูทีวีอีตอนที่ทีวีมันสนุกตื่นเต้นแล้วก็เพ่งใช่ไหมดูเคยเพ่งดูทีวีไหมแล้วเคยเพ่งดูใจเราไหมเพ่งดูกาเราไหมบางทีมือเกร็งมือเกรนะ็งหน้าตาแข็งดูใจเราสิโอใจมันเครียดมากเลยเพราะเราตั้งใจจนเกินไป แต่พอทีวีตัดโฆษณาปั๊บเออโล่งไปทีหาน้ําดื่มได้คลายเครียดนั่นคนที่เป็นโรคจิตโตรคประสาทเนี่ยสเกา ด, ดูตาจะแข็งมือจะเกร็งลองดูตัวเราสิมือเราเกร็งไหมเนยแล้วดูดูคนข้างสิ <c oughs> ถ้าตาแข็งมือเกร็งแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจนะต้องระวังต้องรู้สึกตัวม า, มากๆนะเ <c oughs> คือความเครียดที่เกิดจากจิตเดี๋ยวนี้เป็นโรคคิด โรคฮิตคือโรคเครียดใครไม่เป็นโรคเครียดก็ไม่ได้เกิดมาในยุคนี้ยุคนี้มันยุคแห่งความเครียดถ้าไม่เครียก็ซึมเศร้าชีวิตมีสองอย่างไม่เครียดหนักก็ซึมเศร้าหนักเ <c oughs> <c oughs> พราะจิตมันไม่เป็นกลางอะ่ะเห็นถ้ารู้สึกตัวอยู่กับกายบ au, เบาๆเล่นๆสบายๆแบบผ่อนคลายจิตมันจะเป็นกลางมาเองอย่าไปจับหรือไปจัด ให้จิตมันเป็นกลางจิตมันเป็นตัวเป็นตนที่ไหนเระไปจับไหนใครจับจิตตัวเองได้บ้าง <c oughs> ไม่ได้เราต้องรู้สึกเบาๆจิตมันก็จะผ่อนคลายจะสนุกมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมมันไม่หนักจิตมันต้องเริ่มต้นจากสบายๆก่อนมันจึงจะสอนได้เรียนรู้อะไรได้มันสอนเด็กเนี่ยถ้าเด็กมันกำลังดื้อ มันกําลังไม่มีอารมณ์กำลังโมโหแล้วไปสอนอะไรมันก็ไม่จำแล้วแต่ตอนเด็กมันสบายๆเนี่ยสบายใจตอนเราจะให้เงินเขาเ น, นี่ยตอนเนี้ยโอ้เราสอนได้ดีมากเด็กจะอ่อนโยนมากเลยอีตอนรองเงินจากเราเนี่ยอีตอนดื้อกับเราเนี่ยอย่าไปสอนเเห็นความดื้อกับเขาโอ้นี่มันดื้อจิตมันแข็งกระด้างมันสอนไม่ได้แล้กมันจะเป็นหม อ, อกระม อ, อกคว่ำใส่อะไรไม่ได้ต้องอปะหลาะกินนมจะพาไปเที่ยวเี่ยต้องประหลาะปะหลอกแล้วก็ตอนเนี้ย ใช้ก็ทำอะไรก็ได้เด็กมากจะจนด้วยคําพูดที่อ่อนอ่อนโยนถึงอ่อนก็อ่อนแบบใยไหมอ่อนนิ่มรัดลึงจิตใจคนได้ถ้าถึงเขาแข็งแปลงต้องแข็งดังเพชรคนเมืองเพชรต้องจิตใจต้องเข้มแข็งเหมือนเพชรแต่เวลาอ่อนเนี่ยโอ้โหอ่อนโยนย่างกใหญยไหม ถ้าเรารู้แบบสบายๆแบบผ่อนคลายเนี่ยจิตมันจะไม่เครียดแล้วสนุกรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยเบาๆเน้นำปฏิบัติถูกแล้วใจเราเบาๆรู้ใจเบาๆถ้าจิตใจเคร่งเครียด <c oughs> เบื่อเซ็งขี้เกียจเนี่ยนะเกิดยานม้วนเสือ้อม้วนเสือกลับบ้านดีกว่านะมันก็เครียดมันก็เป็นทุกข์อะปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์มันมันไม่ใช่นะี่รู้กาย ร, รู้จิตเป็นทุกข์ไม่ใช่นะรู้กาย ร, รู้จิตมันต้องสิ้นทุกข์ สิ้นทุกต่อเมื่อเบาๆแล้วก็ปล่อยวาง <c oughs> แค่นี้แหละเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยนี่เป็นแค่รูปแบบและการใช้ในยุวประจาวันของเรานี่ก็เหมือนกันจะเดินก็รู้ว่าเดินนั่นเองไม่ต้องไปคิดว่าเดินยังไงไม่ต้องแค่รู้มันกำลังเดินมีคำบริกรรมช่วยหรือไม่ต้องใช้คำบริกรรมมันก็ก็รู้ได้เอาหลักอยู่ที่รู้เป็นหลัก รู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ณปัจจุบันการปฏิบัติธรรมต้องปัจจุบันท่านนอกเหนือจากปัจจุบันจะเป็นความคิดทั้งหมดเลยจะเป็นความคิดทั้งหมดอย่างเสียงที่กำลังได้ยินเนี่ยได้ยินเสียงน่นคือปัจจุบันจะคิดต่อไปว่าพูดอะไรเนี่ยมันก็เลยจากปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันใหม่ก็ไม่เป็นไรก็คิดแล้วก็รู้ต่อเนี่ยพอรู้ทันเมื่อไหร่ก็ปัจจุบันเกิดตอนนั้น นี่คือการปฏิบัติรู้กายรู้จิตนน เ, นเนี่ยรู้เพียงแ่นี้รู้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะเป็นปกติมันจะมีกลางถ้าจิตเป็นกลางเมือ่อแล้วก็มันจะเห็นรูปเห็นนามมันจะแยกรูปแยกนามได้เพราะโดยธรรมชาติเนี่ยรูปนามหรือกายจิตรูปนี่คือส่วนของร่างกายเราสมมติว่าเป็นรูปกาย แล้วก็จิตคือส่วนของความรู้จิตที่รู้นั่นเลยคือส่วนของจิตเป็นนามเนี่ยที่นั่งนี่คือกายนั่งหรือรูปนั่งแต่ผู้ที่รู้รูปนั่งคือใครก็คือจิตหรือคือส่วนนามมาทำส่วนนามมาทำแม้วใครอยากบอกว่านามอย่าก็บอกชื่อเรานามกลายเป็นชื่อบอกจิตเลยจิตเป็นแค่ผู้รู้ กลายเป็นแค่พูนนั่งเห็นไหมมีสองอย่างชีวิตรามีแต่รูปกับนามหรือมีกายกับจิตนอกเือจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตยังเป็นสิ่งส่วนประกอบของชีวิตอาการของรูปอาการของนามเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นมาทีหลังนรูปนามมันตั้งเป็นฐานเอาไว้สองอย่างชีวิตรามีแต่รูปกับนามที่จริงมันก็มันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะ ลองดูเลยลองใช้ความคิดดูอ่ะคิดดูก่อนว่าที่กายนั่งเนี่ยกับจิตที่รู้เนี่ยรูปนั่งกับนามที่รู้เนี่ยอันเดียวกันไหมดูที่หน้าที่สิหน้าที่นามมันนั่งหรือเปล่านามไม่ได้นั่งไอ้ที่นั่งเป็นอะไรเป็นรูปนั่งเห็นไหมไอ้ที่ยืนเนี่ยใครยืนรูปยืนหรือ น, นามยืน รูปมันยืนน้ำรู้เนี่ยรูปนั่งน้ำรู้แล้วที่เดินน่ะรูปมันเดินใครรู้โอ้นี่แยกรูปแยกน้ำได้แล้วนี่แม้แต่ในความคิดก็คิดถูกแล้วเวลาเข้าห้องน้ำเวลาเวลาถ่ายเนี่ยใครถ่ายน้ำถ่ายปะก็ <c oughs> บอกน้ำถ่ายเออถ่ายแล้วลรูปทำไมรูปรู้ว่าน้ำถ่ายมันไปคนละทางกันแล้ว รูปมันถ่ายหนักถ่ายเบานา ม, มันไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาหรอกนามมันทําที่แกรับรู้รับทราบเห็นไหมแยกรูปแยกนาวแล้วเวลากายป่วยกลายเป็นไข้หวัดกายทําาที่ป่วยแล้วนามอะนามรู้แล้วเวลาก ล, ากลา้างกายเป็นมะเร็งอะรูปเป็นมะเร็ง แล้วใครรู้โอไม่เชื่อเห็นน้าเราเป็นมะเร็งกลายบางทีเป็นนิดเดียวน้ําเป็นต้องเยอะบางทีกลายไม่ได้เป็นน้าเป็นซะแล้วมะเร็งอานัอารมณ์มะเร็งจิตมะเร็งใจเห็นไ่มมันไม่ใชนะ่ น, นั่นแสดงว่าแยกไม่ถูกถ้าแยกถูกมันต้องโอ้นี่มะเร็งอยู่ของกายเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรืเ่องของน้ำนี่นมันต้องแยกได้อย่างนี้สิมันนี่เพราะของมันแยกกันอยู่แล้ว ผมไม่เคยเห็นว่ามะเร็งที่จิตใจมันเป็นไงไม่เคยเห็นนะดูไม่ออกแต่รู้ว่าถ้าว่ามันเป็นทุกข์เมื่อไหร่แล้วก็มันมีมันมีสิทธิ์ถ้าเป็นทุกข์ก็จิตมันเป็นมะเร็งทุกข์ไม่ได้ทุกข์เมื่อไหร่ก็มะเร็งร้ายเกาะกินจิตเบอร์ตายก่อนตายก่อนมะเร็งกินกายเนี่ยพาล่างกายไปฆ่าตัวตายอันนี้คือมะเร็งแนวลมตายเจี๊ยบพันระยะสุดท้ายเนี่ยกระพิบพตาก็ตายแล้วระยสุดท้ายอ นันของมันแยกกันอยู่แล้วเนี่ยแยกรูปแยกนามถ้ามีสติรูก้กลางๆเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นสองอย่างเนี่ยมันแยกกันสติสัมปชัญญะเหมือนกรรมาการแยกนักกีฬาสองข้างต่ อ, อจากกันแยกนักมวยฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินเนี่ยแยกทีมฟุตบอลด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งโคละข้างกันกรรมาการเป็นผู้แยกคือสติสัมปชัญญะ ต่ยกตัวอย่างกีฬาหน่อยนะเดี๋ยวนิดคนพิการไม่ธรรมดานะเศียเหรียญทองวันนี้จึงได้กล้ามาพูดสิคนปกติยังไม่ได้สักเหรียญเหทองนะหือโอกาสวันนี้เลยมาสามคนเลยนะคุณโชคคนเศยเหรียญทองกนะ <c oughs> ันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติฝึกให้มีความรู้ตัวอยู่มากๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดญาณปัญญา มันเห็นว่าเอ้ากายกับจิตรู้ ก, กับน้ำเนี่ยมันเป็นคนละอันกันคนละอันกันคือทำหนาที่ต่างกันเนี่ยาที่ต่างกันนะกายารูปนั่งน้ำรู้ไอหไหมรูปเนี่ยมันจะรู้ไม่ได้รูปรู้น้ำไม่ได้เนี่ยน้ำ ม, มันต้องรู้รูปการปฏิบัติธรรมการภาวนาเนี่ยคือเอาน้ำไปรู้รูป เอาตรงนี้ก่อนานามรูปเนี่ ย, ย <c oughs> ก็คือเป็นการเริ่มต้นต่อไปก็นามรู้นามนามรู้เรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ต่างๆนามรู้นาำซึ่งมันก็แยกกันอยู่เดียคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญสติไม่ได้ทำกรรมฐานไม่ได้ทำปัสนาเนี่ยมันไม่เกิดยานนี้มันรวมเป็นหนึ่งเดียวเวลากายป่วยรูปป่วย ใจก็ทุกหนามก็ทุกไปด้วยรวมไปนดิมันไม่แยกกันเพราะของมันแยกกันอยู่แล้วแต่ไม่ไม่มีสติมีปัญญาที่จะแยกระหว่างรูปกับน้ามันไม่แยกไปไหนหรอกมันอาศัยีกันแต่มันทําหน้าที่ต่างกันเหมือนน้ํากับน้ามันอยู่ในขวดเดียวกันเห็นไหมมันอยู่ในขวดเดียวกันได้นะแต่มันไม่รวมกันน้ำมันลอยข้างบนน้ําอยู่ข้างล่างแต่สามารถอยู่ในขวดเดียวกันได้เหมือนอย่างรูปกับน้า รวมกันเป็นบุคคลคนหนึ่งและสมมุติว่าเป็นชายเป็นหญิงอาชีพนั้นชืนั้นที้นนี้สมมุติเรียกกันนะของจริงมีแต่รูปกับนามรูปกับนามเป็นตัวตนของตนไหมไม่ได้เป็นหรอกมันเป็นโดยสมมุติเพื่อเรียกขานวานใช้ทําประโยชน์ <c oughs> อันนี้มันเป็นแก้ความคิดเป็นแนวทางหลักการมีอย่างนี้แต่การปฏิบัติการนั้นต้องเป็นของเราเทคนิคต่ตางๆนั้นของครูบาอาจารย์แนะนําให้กับเรา สำคัญมากนะการปฏิบัติธรรมถ้าถึงจุดนี้ยเนี่ยสามารถที่จะทําให้ความทุกข์เราเนี่ยมันลดน้อยลงได้แยกรูปแยกนามเนี่ยก็ลดน้อยลงได้เพราะคนเราเนี่ยมันหีพราะเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตา ย, ยความแก่ความเจ็บกับตายเนี่ยมันเป็นหลักอยู่ที่รูปเวลาแก่อะไรแก่รูปมันแกน่ถ้ารูปมันแก่เนี่ย ใจเราก็ไม่จำเป็นต้องแก่ด้วยถึงแก่ก็แก่ความรู้แก่ความรู้เห็นไหวิธีการที่กายแก่ใจไม่แก่นั่นเนี่ยง่ายๆนิดเดียวอย่าไปดูกระจกดูกระจกเมื่อไหร่แล้วโอ้โหมันแก่รูปเราแก่เห็นตัวเราในกระจกโอ้เราก็ต้องแก่ตามรูปอย่าดูกระจกดูกระจกเมื่อไหร่แล้วก็โอ้ห์บางทีใจมันแก่ ก็กลายที่ําไปเห็นไหมเราเจอหน้าคนเราไม่เคยเจ้าคนมาเจอคนมานานเลยนะคนนี้เพื่อนเรานี่ไม่เจอมานานเจอปับ๊บโอ้คุณไม่แก่จังเลยดูหน้าเขาเพไม่เห็นหน้าเรานะเห็นแต่หน้าเขาออ้ยไม่หน้าเขาแก่จังในทีวีมห็นหดาราบางคนหายเงียบไปนานมาโปรมาโอ้มันแก่จังเลยเราดูแต่หน้าเขาแล้วลองเอาหน้าเราในกระจกหนึ่โอ้มันก็ไปต่างกันอะไรต้องขออภัยขอโทษคุณแก่แม่ผมก็แก่ไม่แพ้คุณเหมือนกัน ของที่มันแก่คือรูปมันแก่นามเนี่ยแค่รับรู้รับทราบเอาไว้โอ้ไอจ้อรูปกระจกนี่มันแก่เนาะแต่เรามันยังปกติเนี่ยถึงกายจะกายนะฟันจะหักห <c oughs> นังจะเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของมันเรื่องของรูปไม่ใช่เรื่องของเราเราแค่รัรบรู้ทราบก็ดูแลกันไปนจะทำจะยอมจะแต่ง แต่ระบายสิแล้วก็ทําไปเถอะําใจแล้วก็อย่ารับเออนี่กายมันแก่เนาะยังไงเราก็ไม่แก่ความแก่เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ใช้ร่างกายอ <c oughs> แล้วมันกลัวว่าพอกายพอกายแก่ใจไม่แก่เนี่ยโอ้โหมันใช้ร่างกายคุ้มเลยนะ <c oughs> เห็นไหมเมื่อก่อนเคยทํางานแค่ไหนอะทํางานได้แค่นี้ใช่ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ทํามีกําลังมากแต่พออายุมากขึ้นเนี๋ยจะใช้มันเหมือนเดิมไม่ได้นะ ถ้าใจไม่แก่บปนณิตมันเดือดร้อนนะต้องรู้จักชายอ๋อล่างกายมันแก่เราต้องให้มันกินให้มันนอนให้มันทำงานพักผ่อนพอสมควรนี่คือใ้ใช้สติใช้ปัญญาดูแลร่างกายของเราอย่าไปใช้กิเลสใช้ความมุทะลุดุดันไปบังคับร่างกายซึ่งมันไม่ไหวแล้วแต่ใจมันยังไหวกิเลสมันทำให้ใจมันไหว <c oughs> กิเลสไม่เคยก่อกินกาย กเรียกกินที่จิตใจต้องมีสติรู้ทันนี่มันเคยนอนดึกอันนี้อายุมากแล้วมันดึกไม่ได้แล้วต้องให้มันนอนพอสมควรเนีนี่คือใช้สติปัญญาดูแลร่างกายเราต้องเป็นหมอตัวเองนะต้องรู้ว่าภาะวะนี้ระยะนี้เวลานี้เราควรจะใช้ร่างกายขนาดไหนนี่คือสติปัญญาที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติต่อตัวเองเนี่ ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติต่อตัวเองถูกต้องร่างกายขนาดนี้จะอยู่ยังไงให้เป็นป ก, กติจะทานข้าวขนาดไหนนอนพักผ่อนแค่ไหนออกกำลังกายแค่ไหนใครบอกเราไม่ได้เราต้องทดลองเองว่าโอ้เราขนาดไหนอันนี้มันหนักไปไเบาไปนะต้องอย่างนั้นถ้าไปใช้แบบเหมือนเคยใช้มาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยร่างกายมันป่วยไขย้แล้วก็ไปโทษอาหารโทษอากาศ ไม่เคยโทษใจตัวเองเลยใจตัวเองกิเลสครอบงำทำตามความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่สติปัญญามันเป็นความคิดเป็นกิเลสต้องรู้ให้ทําตัวนี้ในเวลาป่วยไข้ก็เหมือนกันถ้าเราสามารถแยกรูปแยกนามได้เนี่ยความป่วยไข้แม้มีอยู่ที่ร่างกายเรามันต้องมีกายกายทุกคนต้องป่วยถ้ามีสติแยกไดอ้อ่นี่การป่วยไข้เป็นเรื่องของกาย เนี่ยเรื่องของกายเขาร่างกายเขาป่วยเขาซุ้ดโสมเนี่ยเขามีโรคไปไข้เจ็บเขาติดเชือ้อเขาทำหนาที่ดูแลเขาตนเองโดยที่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้เวลากายป่วยใจเรามักจะป่วยด้วยนี่คือไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังแยกรูปแยกนามไม่ได้พอกายป่วยก็ปล่อยจิตปล่อยใจใไปผสมลงกับความป่วยของร่างกายเลย มันก็เลยป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตมันช่วยอะไรกันไม่ได้แล้วก็ทุกก็ต้องพึ่งหมอเห็นไหมคนเราสมัยนี้พอป่วยปับ๊บมองหาหมอถึงไม่ป่วยก็จะไปปรึกษาหมออีกหมอเลยกลายเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตเราเราลองอาศัยสติ ป, ปัญญาเป็นหมอตัวเองมากเป็นแพทย์รักษาตัวเราเป็นแพทย์ทางรอดคือมีสติมีปัญญารักษาตัวเราเป็นไรหน่อยก็กินยา เป็นอะไรที่หนก็กินยากินยามันกดภูมิต้านทานทางร่างกายกายเลยอ่อนแอทำอะไรไม่ได้เลยเวลานอนไม่หลับหนูก็กินยา <c oughs> เวลามีโรคไปเจ็บก็กินยาพึ่งแต่ยาไม่พึ่งตัวเรเองหรอกอดทนนี่อดทนหน่อยสิต่างกายมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมนเองมันจะได้เข้มแข็งสร้างภูมิต้านทานแต่เราไม่อดทนเนี่ย เอายามาช่วยกดภูมิต้านทานร่างกายก็เลยอ่อนแอสร้างภูมิท่านทานตัวเองไม่ได้เห็นไหมลองสักหน่อยลองดื้อสักหน่อยเนี่ไม่กินนะเนี่ยเป็นไข้กินน้ำมากมากเนี่ยชดเนือชตัวผมผ้าให้มันอบอุ่นลองนิ่มชิมก็หายไม่ต้องอาศัยยาอะไรหัวเลาะยอะยาต่อไปหมอก็กก่งเงินเราไม่ได้รักษาตัวเราเองไงเพราะฉะนั้นถ้ามีสติ มีการปฏิบัติเนี่ยมันแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามนะการป่วยเป็นเรื่องของรูปนามก็ทําที่แค่รับรู้รับทราบเอาไว้เราจะได้เป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเนี่ยสาคัญมากมันทุกข์เพราะความคิดแล้วอะ่ะมันแยกไม่ได้เกิดความคิดคิดโอ้เรานะสะเกดว่าร่างกายป่วยใจจะคิดเลยเพอใจคิดปับ๊บมันลืมความป่วยไปแล้วนะความป่วยหายไปแล้วแต่มันคิดเลยมันจะหายไหมเนี่ย ต้องรักษาที่ไหนมีเงินรักษาหรือเปล่ามันจะตายไหมมันจะเจ็บปวดมากไหมมันมีความกลัวความกังวลมากมายเพราะความคิดแตงนั้นนะสังเกตดูภพ ก, กลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านนั้นเนี่ยความทุกข์ทางกายเราลืมไปแห ล, ละเรามวแต่ไปหมกมุ่นความคิดในทางจิตการปรุงแต่งทางจิตในเรื่องของจิตจะแสดงออกเยอะเลยกายทุกข์ไม่เท่าไหร่นะแต่จิตนี่มันทุกข์มาก ทุกข์มากที่พาร่างกายไปฆ่าตัวมันเองตัวตายนั่นนี่โรคภัยกระเจ็บมันไม่ถึงขั้นที่ต้องตายแต่จิตเนี่ยมันตายก่อนแล้วไม่สู้แล้วตายแล้วนั่นถ้าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันแยกตรงนี้ยากมากถ้าคนปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดทุกขเวทนาทางกายมากขึ้นสติรู้เนี่ยอย่างน้อยก็หานเขาเรียกหานหานทุกขเวทนาทางกายให้เลยสักครึ่งหนึ่งสติเข้าไปรู้นี่ ลบไปสักครึ่งหนึ่งมมันจะเจ็บไม่เต็มร้อยนะเจ็บไม่เต็ม ร, อร้อยเหลือห้าสิบก็ยังพอไหวงทนได้เนี่ ย, เ, ยเคยเวลาเคยผมเคยโดนมีดบาดมือโดนมีดบาด๊โอ้โหเจ็บมากเลยมันคือมันเจ็บมันเสียวะนะในใจอยู่ใน ใ, นใจหมดเลยมันเสียวเจ็บนี้เดียวนะนเสียวต่หลังมีวิธีการนี่มาปฏิบัติทำนะฝึกเจริญสติ มีดบาดมืออุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บยิ้มกับความเจ็บใช่ไหมใจมันยิ้มแต่กายมันเจ็บกันยิ้มไอการยิ้มหัวเราะความเจ็บเนี่ยมันหานกันละครึ่งนึ่งแล้วอู้แย่เลยเราไม่ไหวเราต้องรีบหาหมอมันเจ็บเต็มร้อยอะไเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งจิตเทคนิคมีสติรู้วโอ้มันเจ็บเวลาเจ็บทำไงยิ้มหัวเราะหัวเลาะอืมเจ็บมันเจ็บทํำไมจะทําไม่ได้ดีก็ร้องไห้โอดโอยมันเจ็บหนักเข้าไปใญเลย จมใช้ในความบวดเวลาตายก็เหมือนกันแหละกายคือร่างกายมันตายรับรู้รับทราบเอาไว้มีสติตั้งสติให้ได้ก่อนที่จะตายเมื่อเวลาตายตายยังมีสติมันก็ไม่หลงตายเกิดไปก็เกิดในสุขติถ้าหลงตายลืมตายเขาอยู่ในความตายมันก็มันก็อยู่ภพภูมิที่มันตำ่ำมีสติ สติมันสามารถแยกระหว่างจิตกับกายได้แดกแยกรูปแยกนามได้ถึงแม้ว่าเราจะแยกได้ไม่มากมันก็ยังดีกว่าอย่างน้อยเวลาที่เราป่วยเวลาเราเจ็บปวดนะเวลาเจ็บปวดเนี่ยใจมันจะจมแช่นทุกขเวทนาเลยเราลองแยกออก็มาดูดูนี่มันความปวดเป็นเรื่องของกา ย, เ, ยเรื่องของรูปนามรับรู้เอาไว้ถ้ารู้ไม่ได้ปับ๊บก็นามต้องมีที่เกาะอาจจะไปเกาะกับเสียงสวดมนต์นะ เองสวดมนต์สวดมนต์คนไทยเราโชคดีนับถือพุทธศาสนาบทสวดมีเยอะเราชอบบทไหนก็สวดบทนั้นนี่มันแรงๆหนักๆไวในใจเอาใจมันรู้สึกอยู่กับการสวดมนต์อย่าไปจมแช่ความปวดทาราดูไม่ไหวจิตไม่มีกําลังเพราะสติเราอ่อนแล้วก็มาสวดมนต์ร้องเพลงก็ยังดีร้องเพลงไม่ดีการร้องเพลงก็แบบต้องร้องเพลงที่มันน เจ็บอีทีก็ไม่สําคัญอะไรเงี้นะหรือไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไรความเจ็บในครยแค่นี้น้อยเท่านั้นดีกว่าว่าเจ็บนี้อีกนานโอ้โหเจ็บนี้อีกนานโอ้มันต้องรู้จักแยกออกมาสนใจกับสิ่งที่เราเกาะเอาจิตไปเกาะเอาไว้กับอารมณ์เสียงสวดมนต์ก็ดีเป็นกุศลรูปางอันนี้จังรูปางอนนัตตา ลูกไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวตนเ น, นี่ยท่องมันพบุตรมนไปเลยเนื้อเวทนาหนิจังเวทนานตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาไม่ใช่ตัวตนท่องไปแล้วเอาจิตจับไปการสวดมนต์มันลืมความเจ็บของปวดใช่ไหมมันแยกกายแยกจิตได้เพราะจิตมีเครื่องอยู่โดยที่ไม่ไม่ถลำเข้าไปเกาะเป็นทุกข์กับกายเนี่ยสำคัญมาก มันแยกกันได้เพราะไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันเป็นเรื่องของกายที่มันกำลังเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเมื่อบางคนเนี่ยเวลาให้ไปตรวจสุขภาพตรวจร่างกายไม่กล้าไปไม่กล้าไปนี่ไปตรวจร่างกายแท้ทานะร่างกายมันมันก็อยากจะไปดูนะหรือร่างกายมันก็ะเจยๆมานะแต่ใจเราไม่กล้าพาร่างกายไปร่างกายยังไม่กลัวเลยแต่ใจกลัวลนะ กลัวเวลาบอกเป็นโรคร้ายแล้วรับไม่ได้กลัวล่วงหน้านี่ใครกลัวเนี่ยกายหรือจิตลูปหรือนามนามลูปมันไม่กลัวลูกมันไปวางลงหน้าป่าช้ามันก็ไม่หนีไปไหนไอ้ที่หนีคือจิตพากายหนีกลัวจะรับไม่ได้เวลาหมอบอกเป็นโรคร้ายรับไม่ได้เพราะเราไม่กล้าเราไม่รู้ว่าอ๋อแม้ว่าป่วยมันก็เรื่องของกายเน้วไม่ใช่เรื่องของใจ เ้วก็มีสติมีปัญญาดูแลกายไปเม่สมัยก่อนนี้ก็มีคนเขาเล่าว่าอะไรตัวเองไม่สบายนะมีคนคนหนึ่งตัวเองไม่สบายไปหาหมอแต่ว่ากลัวกลัวหมอจะว่าจะเป็นโรคนูน้โนโรคนี้ไปหาหมอหมอก็ตัว ด, ดูหมอก็ไม่กล้าบอกแล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะหมอยังไม่ได้คือสแกนแล้วตรวจแล้วมันต้องรอผล ต้องรอผลใช่ไหมฤที่ออกมาเป็นยังไงต้องรอผลหมอก็ไม่บอกจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ได้โอ้โหนี่กลับบ้านเครียดเลยเป็นแต่แล้วตัวเองว่าเป็นแล้วนะมันเป็นแล้วมันมีเนื้องอกงอกอยู่ข้างในแล้วเนี่ยสงสัยเพราะมันมีอาการแข็งแกร่งเป็นโอ้พ่อแม่เป็นทุกข์มากเลยทุกเพราะว่าลูกเนี่ยจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่นี่หมอยไม่ลงความเห็นนะแต่ลูกลงความเห็นอาการมันออกก่อนแหะมันออกก่อน อาการทางจิตออกก่อนอาการทางกา ย, เ, ยเพื่อนรู้เขา้าเพื่อนก็นมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้หมอเก่งรักตาหายได้คนที่เป็นแยกเรายังหายเลยให้กำลังใจล้อมให้กำลังใจหมอก็นนะั้นเป็นฟังผลมนไม่เป็นเลยเลยไม่เป็นเลยเลยนะโอ้กลับมาไม่มีใครมาสนใจเลยไม่มีใครสนใจเลย พาะรู้ไม่เป็นก็เป็นแค่คือไม่เป็นเพื่อนฝูงไม่ค่อยมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรจะมาทำไมเงาหรูนี่ไปเป็นสักเดียวมันไม่เหงาดีเพื่อนเยอะคนปลอบใจเยอะเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไม่มั่นคงไม่มั่นคงไม่รับไม่ยอมรับอะไรเนี่ยมันเป็นก็ดีนะจรักษามันไม่เป็นก็ดีนะจะเป็นได้ระวังมันใช่ไหมมันดีทางนั้นอ่ะไปตรวจไปนั่นอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ของเรา อย่างผมเนี่ยเมื่อไม่นานก็ไปทําฟันมานํ่งันนอนบนเตียงนอนบนเตียงก็ยกขาขึ้นขามันสูงขามันก็ไหลลงล่างปุ๊บห้อยลงล่า ง, อยอยางโอ้ยขาเราอยู่เบ่งล่างดึงขึ้นก็ไม่ได้ขาเรามันดึงขึ้นไม่ได้บอกหมอหมอช่วยยกขาบ้นหน่อยเอา้าวขาอาจารย์มันไม่ใช่ขาผมนะขาผมบอกว่าเอาขึ้นได้แนละ้ว หมอจะยกหมอก็ยกขาให้หัวเลาะโอ้นี่นี่ขาจานนั่นนี่บอกมันไม่ใช่หรอกขาไขว้แล้วขาผมร้องขึ้นเองได้แล้วมันล่วงมันล่วงเองันไม่อยากให้มันล่วงโอ้มันเห็นความเป็นอนัตตาของขาเราเพรมันขยับขีอยไม่ได้หรอกเนี่ยมันหล่นก็คือหล่นมันหล่นก็คือหล่นเราไม่สามารถควบคุมมันได้ฮะเนี่ยเห็นความไม่แน่นอนเห็นความสิ่งที่มันไม่ใช่เราถ้ามันเป็นของเราแล้วก็บังคับมันได้ ไม่อยากให้แก่ควบคุมมันได้มันก็ไม่แก่ได้แต่ว่าไม่ใช่เรามันก็แกไม่เลิกแก่ทุกวันไม่อยากให้มันป่วยมันก็ป่วยเราบังคับไม่ได้ไม่อยากให้มันตายมันก็ต้องตายมันเรื่องธรรมดาของมันใช่ไมเราเริ่มเข้าใจมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตรงเราร้ออาศัยมันชั่วคล้าวเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเจริญสติทำความสุกตัว รู้กายรู้จิตเนี่ยจะเข้าเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิตเราเข้าใจเมื่อเราทำเรื่อยเรื่อยๆเราจะเห็นโอ้มันไม่มีตัวเราเล้มันมีแต่รูปกับนามรูปนามมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, มชตนมาขับบรรชาไม่ได้แล้วก็เห็นอารมณ์เห็นกิเลสเนี่ยถ้าฝึกสติแล้วเห็นกิเลสนี่มันเกิดขึ้นในใจเราโอ้นี่มันอาการของจิตอาการของนามทุกขเวทนาคืออาการของรูป ความคิดคืออาการของจิตอาการของนามกิเลสคืออาการของนามมันย่อมเกิดขึ้นธรรมดากิเลสมันก็ทําหน้าที่กิเลสของมันเราก็แค่รับรู้สติปัญญารับรู้เอาไว้ <c oughs> เห็นความคิดแม้แต่คำบริกรรมมันก็เป็นความคิดมันมีสติก็เห็นโอ้นี่ความบริกรรมมันคือความคิดเราก็เห็นมันคนทุกคนต้องใช้ความคิดแต่ใช้ความคิดคือเป็นผู้ใช้ใช้ให้มันคิด ใช่มันวางแผนถึงเวลาหยุดเวลาจบก็ให้มันหยุดได้เนยถึงแม้จะบังคับไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะหยุดคิดได้ถ้าเราไม่ใช้ความคิดความคิดมันก็ใช้เราคิดไม่เลิกก่อนนอนก็คิดตื่นมาตอนเด็กก็คิดจะนอนไม่หลับ <c oughs> นอนไม่หลับตื่นแคเคยไหมตื่นมาเที่ยงคืนแล้วนอนไม่หลับเลยคิดวางแผน <c oughs> อย่าไปนอนลุกขึ้นมาเดินจงกรมเถิดดูสิจะเดินยันสว่างแล้วถ้ามันไม่หลับ ทำไมหลับจะเริ่มยันสว่างเลยพอตั้งใจเดินจริงเดี๋ยมันก็ต้องหลับพอตั้งใจทำอะไรมันก็จะหลับแต่ถ้าไปห้ามมันโอ้โหมันยิ่งยุมันยิ่งห้ามยิ่งยุแสดงว่าเราบังคับบัญชามันไม่ได้ล้วก็รู้ท่านมนรู้ท่านมนแล้วก็ใช้มันให้ถูกต้องมันจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามว่าไม่เที่ยงไรทุกอย่างไรบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรเห็นความฮิตเ็นกิเลต ก็เป็นผู้เห็นนะนะเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นใช่เนี่ยเป็นผู้ดูรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางมันได้เพราะเมื่อก่อนเราไปยึดความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นเราเราโลภเราโกรธเราหลงเราทุกข์แต่เนี้ยรู้แล้วว่าไม่ใช่เรามันเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ว่าเป็นเรามันไม่ใช่เราเราเป็นผู้ดูซะดูกายมันเคลื่อนไหวดูกายมันเจ็บ ดูกายมันแก่ดูกายมันตายเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยเป็นผู้ดูนี่คือเพชรเพชรแห่งธรรมะเพชรแห่งธรรมคือการเป็นผู้ดูนี่หลวงพ่อเขียนบอกเอาไว้ถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราเข้าไปเป็นเนี่ยเราก็ไม่ปลอดภยัยเป็นทุกข์กับอาการของกายอาการของจิตเป็นทุกข์กับกิเลสถ้าเป็นผู้ดูนี่มันปลอดภยัยมันหลุดออกมาเลยหลุดออกมาดูหั <c oughs> วเลาะยอกิเลส หัวลอยเยาะยิ้มให้กับความโกรธไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นนการฝึกภาวนาบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆาให้จิตมันมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูได้เนเป็นผู้ดูได้ดูแล้วก็รู้ความจริงแล้วก็ไม่จิดมั่นสิมั่นให้เป็นทุกข์มันต้องปฏิบัตินะแค่ฟังๆเอาแล้วบรรลุทำมันไม่มีนะบรรลุขณะฟังนะ แต่พอเลิกฟังแล้วก็ทุกเหมือนเดิมเพราะผมเคยสมัยก่อนนี่หลังจากพิการผมก็เริ่มศึกษาธรรมะสิบหปีนะผมอ่านหนังสือธรรมะอ่านท่านอาจารย์พุทธทาสฟังท่านยากุลโชดกวัดมหาธาตุปรกอบท่านเป็นพระเทพสิทธิมุนีตอนท่านมีชีวิตอยู่ผมก็ฟังรายการท่านตลอดเวลาฟังแล้วหมั่นฝึกตามอย่างที่ท่านสอนอหายใจเข้า พองหนอยุบหนอก็นอนฝึกแล้ผมก็หลับนะพอยาบทผมมันนอนพอฝึกแล้วมันเป็นสมาธิจิตมันเพ่งเป็นสมาธิบังคับไม่ให้มันคิดให้ใจเป็นหนึ่งอยู่กับท้องที่มันพองที่มันยุบแล้วมันก็ได้สมาธิที่มันหลับจิตมันไม่ค่อยตื่นเพราะเราอยาบทเรามีแค่นอนนั่งทำก็ไม่ได้ผลหลับนั่นมันจะตกรถจะตกรถเข็นนะไม่ใช่ตกรถเพราะไปไม่ทันรถนะตกรถเข็นเลย เราก็ต้องนอนพอนอนแล้วมันก็หลับอิเรยาบทมันใกล้ความหลับคือการนอนเนี่ยเวลาเราเดินจงกรมเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอยู่หางที่นอนนะหางหมอนเข้าไว้เดี๋ยวมันดึงมืออะไรพวกนี้พอใกล้ที่นอนที่สบายมันดึงมืออลไรมันฉุดมือเข้าไปเลยอยู่หางๆไว้ผีมันดุมาผีที่นอนเนี่ยมันดึงมือแล้วเข้าไปนอนเลยเด้อทางๆนวนไปเดินกลางแจ้งมันจะนอนกลางแจ้งให้มันรู้ไหมเนะวิธีแก้ง่วงอยู่หางที่นอนหน่อย เราเป็นโรคอะไรแพ้ที่นอน <c oughs> อยวงหางเนี่ยผมก็นอนปฏิบัติยุบหนอพองหนอฟังด้วยปฏิบัติด้วยจิตมันก็เกิดศรัทธาเกิดปีติแล้วก็หลับไหลตื่นมาก็ไม่ได้เลยก็หลับไหลหลับไหลไมห่หลับรู้หลับไห ล, หลไปตื่นมาก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมจะเรียกว่ามันปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวถ้ามันไม่หลับก็ฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านไปตามความคิดทาไมฟุ้งมันก็หลับสองอย่างมันสลับกันเนี่ยมันไม่มีสายกลางก็ทำจนทั้งมันไม่ได้อ่านหนังสือดีกว่าอ่านอ่านอ่านหนังสือต่อมันก็เกิดความรู้เรื่องรูปเรื่องนามเกิดความรู้ในรูปนามเป็นไงท่องได้ยานสิบกในโหมแม่นเปรีย้ยเลยยานสิบหนะวเวลาหลวงพ่อเทศยานสิบกฟังเลยตั้งใจฟังเอาละเหล่านี่มันยานสี่แล้วยังต่ํา นิพยานสี่ล้เกิดยานแปดนิพิทาแล้วเราว่าเรานิพิทาแล้วเราเบื่อเหลือเกินร่างกายอย่างนี้อยากจะให้ไหม่ร่างกายมันดี <c oughs> คือเ <c oughs> บือ่อร่างกายที่เป็นจริงของเราอยากได้ร่างกายที่มันดีกว่านี้มันไม่ใช่นิพิทาแล้วนิพิทาความเบื่อมันต้องเบื่อร่างกายพิการก็เบื่อไม่พิการก็เบื่อเพราะมันเป็น อ, อนิจจังทุกขังนาตามันไม่เบืเอ่เอเบื่อไม่จริงอ่ะเบื่อเพราะกิเลสมันเบื่ออยากให้ดีกว่านี้อ๋อมันเป็นเบื่อแบบหลงๆกันนะ โอ้เรายานแปดละเบื่อหนายแต่กินข้าวอะไรอร่อยทุกทีเบื่อแล้วเบื่อแล้วอร่อยได้ไงเบือ่อมต้องกินก็แค่นั้นเอาแค่หอิ่มก็พอะเนี่ยเบื่อนายอยากอยากหนีอยากหลุดจากพ้นโอ้เรามันก็อยากหนีอยากหลุดจากพน้นพ้นเพื่อจะไปเกิดดีบ้างอะไรพ้นจะกอ้ภาวะอย่างนี้เพื่อไปเอาภาวะอันใหม่มันไม่ใช่เบื่อกิเลสมันยังไม่เบื่อมันหลอกให้เราเบื่อแต่ส่วนที่มันชอบมันเบื่อตรงนี้เพื่อจะไปเอาตรงนู้น ไม่ใช่เบื่อด้วยปัญญาเบื่อด้วยปัญญานี่สุขทุกขมีค่าเท่ากันเี่ป่วยหรือไม่ป่วยมีค่าเท่ากันยรูปนามจะเป็นไงมันก็ต้องเห็นว่าออกมันสุขหรือทุกมันก็มีค่าเท่ากันที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอเหมือนกันหมดจังว่าจะปล่อยวางว่าเป็นตัวตนของเราได้นี่มันก็มันก็ไม่ได้ความจริงเลยนะได้แต่คิดรู้คิดรู้คิดรู้พอเราปฏิบัติแค่เดือนเดียวนะ ฝึกเจริญสติแค่เดือนเดียวเนี่ยมันมีความเข้าใจความรู้ที่เกิดจากการเจริญสติกับความรู้ที่เกิดจากความคิดหรือการฟังเนี่ยมันต่างลิบรับเลยมันต่างกันมากอารมณ์ของรูปนามเนี่ยมันรู้แต่ยังไม่สัมผัสคิดรู้ยังไม่ได้สัมผัสรู้จิตยังไม่เข้าไปเห็นยังไม่เข้าไปเห็นแค่รู้แต่มันยังไม่เห็นเนี่ย เข้าใจไหมรู้กับเห็นที่ต่างกันนะเนี่ยรู้กับเห็นเนี่ยห้องเนี้ยเราก็รู้นะโอขึ้นไปชั้นนูน้นต้องเข้าตรงนูน้นรู้แต่เรายังไม่มาไม่เจอเล ย, ยไม่เห็นเนี่ยมาเมืองเพชรเมืองเพชรต้องขึ้นเข้าสายนี้ต่อสายโน้นออกมาเนี่ยถนนเสเจนิสไปยูเทิร์นมาที่บ้านนันทวันรู้อยู่ทิศทางแต่ยังไม่ได้เห็นต้องมานี่ประจักษ์แจ้ง ที่เห็นคือเข้ามาสัมผัสเข้ามาดูเลยอ๋อนี่คือเห็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเห็นการปฏิบัติธรรมไม่มีคำถามไม่ได้คำตอบไม่มีคำถามถ้าถามแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงถ้าตอบเราอ๋ออืมเอองั้นเหรออ๋อมีแต่อ๋อถึงบางอ๋อน่ยคือเข้าถึงธรรมอ๋อเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองหมดสงสัยเนี่ยนะ ปฏิบัติหนึ่งเดือนนั่นเองแล้วเข้าใจรูปเรื่องนามเข้าใจทําต่อไปเจรรยาสิต่อไปจิตมันยิ่งตั้งมั่นมันมีความเข้มแข็งเนี่ยมีทั้งศรัทธาศรัทธาที่จะปฏิบัติเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยมันดับทุกข์ได้จริงวิธีการแบบนี้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้พอเกิดศรัทธาปั๊บมันก็เกิดความขยันเกิดความเพียรเมื่อมีศรัทธามีความเพียรเพียรอะไรเพียรเจริญสติพอมีสติปั๊บ สมาธิมันก็ตั้งมันเ ม, มื่อสมาธิตั้งมั่นเห็นเนะี่ยมันเริ่มเห็นก็เกิดปัญญาอ๋อ Or, รู้ความจริงของรูปของนามเนี่ยนะนะเกิดภระละเกิดอินทรีย์ก็รู้ความจริงมันเอากลันไม่ได้เนาะไอ้รูปนามเนี่ยมันก็แก่ไม่เลิกมันก็เจ็บบ่อยๆอยิมิชาก็ตายเห็นไมเนี่ยเราก็ตายเขาก็ตายเนี่ยบางทีเราก็ตายก่อนเขาเนี่ยบางทีเขาก็ตายก่อนเรา รู้ความจริงแล้วก็อาศัยร่างกายสายกายสจิตที่อยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์เอามาปฏิบัติทำเพื่อดับทุกข์กับตัวเองแล้วก็เอาไปทำประโยชน์รูปนาพ่อแม่ให้ไว้เพื่อจะให้เราทำที่สุดแห่งกองทุกข์เพื่อจะไปทำประโยชน์ไม่ใช่เอาเบียดเบียนเอาสิ่งไม่ดีมาใส่ร่างกายเราเอาความโลภความโกรธขุ่หลงมาสู่จิตใจเรา เ, เวลาโกรธทีไรใจเราก็เป็นทุกข์ เราก็ไม่รักตัวเราเองเลยนะถ้าราักใจเรารักตัวเราต้องอยากโกรธถ้ารักตัวเราก็อยากเครียดถ้าเครีย ด, มดเมื่อไหร่ก็ทำลายใจเราก็ทำลายร่างกายด้วยในตัวใจกับกายมันคู่กันต้องมีสติโออย่าให้มันโกรธเลยมันโกรธทีไรมันก็ร้อนมันก็ร้อนทำให้ความร้อนแต่ทำให้ร่างกายมันเกิดโรคภัยก็เจ็บมากมายโอ้ย่าโกรธอยากก่อยาเครียดอย่าทุกข์ ให้มันเย็นๆให้มันสบายๆให้มันทาประโยชน์กับคนอื่นก็เกิดปีติก็สร้างความสุขกับตัวเรานะีก็ปฏิบัติต่อไปมันก็เริ่มรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเนะ่ยรู้เรื่องของกายเรื่องจิตมากยิ่งขึ้นเดือนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะใช้สติตั้งแต่ตอนที่เริ่มฝึกหนึ่งเดือนนะเริ่มเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นใช้สติสังเกตตัวเองกระทั้งปัจจุบันนี้ ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งอยู่นานไม่ได้บอกว่าแกนะอายุมากเฉยอายุมากอยู่นาน <c oughs> เนี่ยอย่างคนเนี้ยอายุน้อยคนนู้นอายุเหลือน้อยนั่งใกล้ๆ ก, กันอีคนเหลืออีคนอายุน้อยอีกคนเหลือน้อยมันน้อยเหมือนกันนะ <c oughs> มันต้องมันต้องสังเกตดูตัวเราบ่อยๆนะ สังเกตดูเราเห็นร่างกายมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะร่างกายมีแต่เปลี่ยนแปลงจิตใจมันเดียดเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายคือคือลงลงเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตอ๋อนี่มันกายก็เปลี่ยนแปลงก็จิตก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ผมนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากชีวิตขาลงชีวิตขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นเขามันช้าะไรนะแต่ตอนลงเขานี่มันกลิ้งมันลงไม่ทนนะันมันกลิ้ง ชีวิตขาลงนี่เห็นความไม่เที่ยงมากความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นอกเหนืออนนาจของเราเนี่ยมันยิ่งชัดเจนคอยสังเกตดูด้วยจิตที่เป็นกลา ง, ลางต้องกล้าที่สังเกตดูด้วยด้วยไม่เพลิกจิตปกติไม่ยินดียินไายสักหน่อยเราจะเริ่มเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของรูปเรื่องของนามดูได้ใจเป็นธรรมใจเป็นธรรมคือตรงกลางกลาง่อ๋อ โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่ชอบใจดูซิความไม่ชอบใจมาเกิดตรงไหนเกิดที่จิตใจเราใช่ไหมแต่ร่างกายมันไม่บอกว่ามันไม่ชอบมันแสดงอาการทุกข์แต่ใจเราไม่ชอบความไม่ชอบอยู่ที่จิตใจโอ้กิเลสมันไม่ชอบเนี่ยเพราะมันไม่ยอมรับความจริงเนี่ยคนโน้นคนนี้พูดหน่อยเสียงดังหน่อยแล้วก็อึดอัดไม่ชอบเขาก็คือเรื่องของเขาแต่ใจเราไปไม่ชอบเองโอใจเรานี่มันไม่แน่นอน แต่คนนี้พูดดังแต่พูดเพราะเออเราก็ชอบชมเราซะด้วยดังเหมือนกันนะอีกดังนินทาอีกดังหนึ่งมันดังชมเราชมเราดังอีกหน่อยก็ได้เห็น ไ, ไหมกิเลสมันมั น, ม, นมันสับสนตัวเองให้รู้ทันมันไม่ชอบของเรามันจริงไหมไม่ชอบเพราะทิฏฐิเพราะความมีผิดของเราหรือเปล่าเห็นสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของกายความเปลี่ยนแปลงของจิตเดี๋ยวนี้เห็นบ่อยมาก ไว้เร็วก็ได้ใช้ได้ดูได้เห็นบ่อยๆยิ่งดูเราก็ยิ่งสนุกสนุกกับการที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองสนุกดูนะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราถ้าเป็นเรื่องใหม่เนี่ยโอ้สนุกดูของใหม่ๆก็ดูสนุกแต่เป็นเรื่องใหญ่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิงต้องไบแบกไปจิตมั่นถือมั น, มนอะไรที่เกิดขึ้นกับก า, กายใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ ให้เราได้สนุกที่จะดูมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เราต้องเข้าไปเป็นทุกเข้าไปแบกแล้วก็รักษามันไปเวลามันเปลี่ยนแปลงมันขาดตรงไหนแล้วก็เติมมันมากตรงไหนแล้วก็น้อยลงเรากินข้าวแล้วมันอ้วนก็ลดไปสักมื้อนึงมันผอมหน่อยกลัวจะไม่ไม่สวยกลัวจะไม่เป็นนางแบบเนาะดูแล้วมันมันหายปลาลาขึ้นนี่ก็กินข้าเพิ่มสักหน่อยใช่ไหมใจเราขนาดเป็นผู้ที่ทําให้ร่างกายมัน เควไปตามธรรมชาตินะมันจะอ้วนก็ไม่เป็นไรแล้วอ้วนแล้วไม่ทุกข์ก็น่า จ, จะอ้วนอยู่ลอ็อกถ้ามันพร้อมแล้วมันสวยถา้าพร้อมแล้วทุกข์ก็ไม่เอาลอ็อ <c> ก <oughs> เอาการไม่ทุกข์เป็นหลักชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์มันป่วยกายป่วยใจไม่ทุกข์ก็เอาละเยเพราะฉะนั้นในร่างกายที่มันป่วยไข้มันมีวิกฤตต่างๆเนี่ยท่วมเป็นโอกาสโอกาสเราได้เรียนรู้มัน ได้เห็นความไม่เที่ยงของมันได้เห็นสิ่งที่มันที่เราบางังคับบัญชามันไม่ได้เพราะมันแสดงออกมาอย่างนั้นเราก็รับรู้เราทราบเอาไว้แล้วก็ดูแลมันไปอย่าไปเป็นทุกข์กับมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าคอร์เนี่ยมีคนป่วยเยอะ <c oughs> ในใครไม่ป่วยยกมือซิโอ้ยไม่มีใครกล้าโกหกเลยมันป่วยตรงนั้นแหละลองดูเถอะดูตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเป็นตัวโรคเนอ่ <c oughs> เวลาร่างกายป่วยเนี่ยก็อย่าให้ใจนี่ป่วยด้วยนะให้แยกกันเวลารูปมันป่วยอยาให้นามป่วยนมันเป็นคนละส่วนกันมันต้องแยกกันให้ได้ถ้ารูปมันป่วยซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนามป่วยไปด้วยเนี่ยถ้าเกิดเราป่วยป่วยทั้งสองคนเลยนะเจ็บสองต่อเลยทุกทั้งรูปทุกทั้งนามป่วยทั้งรูปป่วยทั้งนาม ก็รักษากันไปเวลาป่วยไข้ก็รักษาตามธรรมดาการไม่รักษาเลยเนี่เขาไม่ถูกต้องเราปฏิบัติกัมนมาไม่ถูกต้องป่วยไข้ก็ต้องรักษาตามหน้าที่เมื่อรักษาไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันไปธรรมดายอมรับมันไปเต็มที่แล้วก็ได้แค่นี้แหละจะต้องดูแลรักษาแต่ถ้าเมื่อป่วยทางน้าร่างกายแล้วรักษาแล้วไม่หายหรือ ทุกขเวทนามันเกิดมากเราก็ต้องอาศัยรักษาจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละการเจริญสตินี่แหละเพราะว่าเวลาร่างกายป่วยทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันก็จะมากใช่ไหมนี่ถ้าเรามีการฝึกจิตมีการฝึกภาวนารักษาจิต ด, ด้วยการเจริญสติเมื่อเจริญสติแล้วมันก็จะมีสมาธิธรรมจิตมันตั้งมั่นไม่ปล่อยจิตใจให้ ถลําเข้าไปในทุกขเวทนาทางกายตั้งมั่นเป็นผู้ดูดูกายมันป่วยดูเวทนามันปรากฏขึ้นมามันขึ้นแล้วก็ต่ำขึ้นแล้วก็หายไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นน้อยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมากก็ดูการเปลี่ยนแปลงของทุกขเวทนามันได้ดูได้เป็นผู้ดูดูมันจะเข้าไปเป็นมันดูแล้วก็แก้ไขมันไปเนี่ยถ้าฝึกสติเอาไว้เนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นจะเข้มแข็ง แล้วก็จะดูทุกเวทนาได้ถ้าดูไม่ได้มันรุนแรงก็เปลี่ยนยาบทนะะไปสวดมนต์ขายน้ําตือเจ้าแม่นอิมก็สวดเจ้าแม่คนอิ ม, เ, ม, อมเราชอบบทไหนที่เราชอบบทสวดอะไรเราก็สวดไปบทกรอนท่องกรอนก็ท่องไปเอาจิตไปฝากไว้กับอารมณ์ตรงนั้นถ้าปเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลยิ่งดีทุกเวทนาก็เข้าไม่ถึงจิตแล้วจิตก็ไม่เข้าไปรวมกับทุกเวทนามันแยกกันเลย อาจจะเห็นความจริงว่าโอ้เนี่ยกายมันไม่เที่ยงเนี่ยกายเป็นทุกข์โดยธรรมชาติเราไม่สามารถจะมาคับบัญชามันได้โอ้จิตมันก็เหมือนกันบางทีมันก็คิดบางทีมันก็เกิดปิติบางทีมันก็สงบเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกตัวบางทีมันก็หลงลืมตัวโอ้จิตมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ให้มีสติตลอดเวลาก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยให้มัน เวลามันคิดให้มันคิดดีๆก็มันไม่ได้ไม่เชื่อเราสักอย่างนึงเรารู้เท่าทันจิตเนาจิตมันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงเห็นกายเห็นจิตม่นมีเที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้มันก็เข้าถึงธรรมตนนัวเองก็สิ้นทุกข์ตัวเองก็ปล่อยวางเนี่ยอาศัยเขาทําประโยชน์ทําหน้าที่เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นปัญญาในทางพุทธศาสนาคือภาวนามาย์ปัญญา รู้ความจริงใช่รู้ความจริงของตัวเรานั้นเราจะสิ้นทุกข์ได้ น, นั้นต้องรู้ตัวเองรู้จักตัวเองรู้ความจริงของตัวเองว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าอะไรรู้จักตนต่อเมื่อเห็นความไม่ใช่ตน <c oughs> อันนี้คือรู้จักตัวเองแท้จริงว่ารู้จักตนเมื่อเห็นความไม่ใช่ตน จึงจะรู้จักตัวเองที่แท้จริงมันต้องรู้เรื่องตัวเราไปรู้นอกตัวบางทีมันก็ดับทุกข์ไม่ได้รู้ตัวเองเนี่ยมันดับทุกข์ได้เป็นปัญญาทางพุทธศาสนาคือการกลับมาดูตัวเองมารู้ตัวเองปัญญาในทางพุทธศาสนาดับทุกข์ได้ไม่ต้องเรียนมากด้วยเรียนเรื่องของกายเรื่องของจิตมันจบง่ายถ้าปัญญารู้ข้างนอกเนี่ยมันมันเรียนไม่ มันเรียนมากแล้วเกินนะไอ้ความรู้นอกตัวเนี่ยความรู้รอบตัวเนี่ยบางคนมีความรู้รอบตัวเยอะเลยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองเลยนะรู้แต่เรื่องรอบตัวไม่รู้เรื่องตัวเองทุกมากเลยนะเวลาตัวเองเป็นทุกนี่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แต่ช่วยคนโน้นคนนี้ได้แต่เรงเป็นทุกนี่มันแก้ไขตัวเองไม่ได้นความรู้นอกตัวต้องเรียนเยอะยิ่งเรียนมันก็ยิ่งเยอะมันก็ต้องคิดเยอะก็ต้องทาเยอะ แล้วก็ทุกข์เยอะนะรู้รู้เรื่องตัวเองนี่มันมันสั้นนิดเดียวรู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตรู้ความจริงของมันนะมันมีที่จบมันจบที่ใจที่ใจมันไม่ยึดมั่นถึงมั่นแล้วไม่ทุกข์รู้กายรู้จิตมันมันไม่ทุกข์อีกตอนที่เรารู้ความจริงไงอย่าไปรู้นอกตัวเลยมันทําให้เรารู้เท่าไหร่ก็ไม่จบเนี่ยเช่นอะไรเนี่ยนินอามตอง ตายไปนี่มันไปนเกิดพบเดียวสติปชักหรือเปล่าหาข้อมูลเสียเวลามารู้ตัวเองเนี่ยมันจบเลยจบที่ใจเราเกิดปัญญาเอานา <c oughs> เนาะเดี๋ยวตอนแรกบาคนมันก็ทําท่าจะหลับพู้แล้วตื่นตื่นแล้วมันตื่นนานเข้าเนี่มันก็ไม่เที่ยงมันก็ทําท่าจะหลับ <c oughs> เอางัาน้นเราก็ขออนุโมทนาบุญเนี่ยกับ เจ้าของบ้านนันทวันแล้วก็ทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาฟังธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับเยอยทุขทุกท่านเนี่ยจะมีความเจริญในธรรมมีสติปัญญาพาจิตพาใจให้สิ้นทุกข์ก่อนสิ้นใจด้วยการทุกท่านทุกคนเถิดไม่ทราบว่า ทางญาติธรรมท่านใดมีคำถามที่จะเรียนถามทางท่านอาจารย์ไหมครับทางเรามีไมโครโฟนการเห็นทุกเนี่ยการเห็นความไม่เที่ยงของกายเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยกับคนที่เป็นปกติที่สามารถจะเปลี่ยนนามเนี่ยไปในอารมณ์อื่นๆได้ กับผู้ที่โชคดีกว่าแต่เหมือนมองคนทั่วไปมองเหมือนโชคร้ายกว่าคือไม่สามารถเปลี่ยนนามเนี่ยไปในอารมณ์อื่นได้เห็นจริงๆอยู่แล้วว่ามันไม่ได้จริงๆอย่างตัวอย่างอย่างอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้จริงๆเห็นอย่างนั้นเนี่ยคือเห็นจริงเห็นประจักษ์กว่าคนปกติที่ที่มันยังเปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์อื่นได้เนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยมันเกิดคือคือมีเงื่อนปมที่เกิดต่างกันขั้นต้นละอันนี้การเห็นไปเห็นไปเห็นไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่สบหปีเนี่ยเห็นสิบหกปีจนยอมว่ามันเป็นจริงๆหรือเกิดจากการที่ได้ อบรมปัญญาโดยการอ่านจากครูบาอาจารย์สั่งสอนหรืออ่านจากพุทธพจน์จริงที่เป็นการตรัสของพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปจนสิ้นสงสยัยเพราะไม่ได้ไปเอาปัญญาอื่นะเข้าไปใส่แต่ถ้าในทั่วไปแล้วเนี่ยสำหรับ เออพวกผมที่เป็นคารวะาเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่เปลี่ยนอารมณ์ได้ตลอดเวลาเปลี่ยนอริยาบทก็ได้ก็เริ่มแจ้งละพอเริ่มแจ้งไอ้อย่างอื่นมาเริ่มเริ่มอย่างที่อาจารย์ว่าเริ่มไหลละก็ไหลไปทั้งนั้นทีอาอพอไหลไปทั้งนั้นทีไหลไปอันอันอันอันไว้เออมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอะกลับมาใหม่เอ๋ก่อตัวใหม่ละก่อตัวใหม่เอ่อ น้ำกิเลสมาเอ๋อไหลทลายลงไปแล้วอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้คําว่ า, าสนทนาเผื่อกันกับคนอื่นๆว่ามีทริคไหมครับว่าสําหรับคนที่ไม่ได้แจ้งแบบหลังพิงฟ้าไม่มีทางอื่นปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่เอกคนอื่นเนี่ยมันยังมีอะไรมาอย่างที่อาจารย์ว่ามันยังหลอกกันไปเรื่อยอะวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีหลอกกันไปเรื่อยเล่นเงินไปเรื่อยอ ตรงนี้มีพริกนะครับมิดว่าเอาเราเราจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีไหนเพราะเห็นทุกฝ่ายจะเห็นทุกอาจารย์ก็บอก <c oughs> นอนแล้วเดินเดินจะเดินให้เห็นทุกก็นอนอีกแล้วมันมันเป็นเขาเรียกว่าเราเกิดมาเนี่ยถ้าคนรู้แบบเนี้ยเราจะไม่มีหรอกแต่เรามีแต่เมื่อเราเริ่มเราเริ่ม รู้จักพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนเรื่องแบบนี้อันนี้คือส่วนที่ช่วยเราได้มากใหม่ๆเนี่ยคนเราใครก็ตามเวลาเราอยู่ในอาการอย่างนั้นนานๆเนี่ยใจมันจะเริ่มเรียนรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเราซะแล้วอย่างเช่นคนจนเนี่ยนะคนจนเนี่ยอย่างคนที่บ้านพเนี่ยหรือว่าเป็นคนจนอยู่บ้านอยู่ริมน้ํานะปลูกบ้านธรรมดาง่ายๆ ถึงเวลาหน้าฝนน้ํามันก็จะขึ้นมาขึ้นมาท่วมบ้านท่วมด้านล่างก็เหลือชั้นบนเอาไว้แล้วพอหมด ด, ดูฝนน้ํามันก็ลดลงไปเขาจะเรียกว่าเรียกว่าน้ําขึ้น <c oughs> ไม่เรียกน้ําท่วม <c oughs> น้ําขึ้นแล้วก็พอน้ําจะขึ้นมาก็ยกของขึ้นบนนะเวลานลานรถเก่เาของเราบางล่างอ๋อมันน้าขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะ เขาอยู่กันแบบน้ําขึ้นน้ําลงนะแต่ว่าคนที่ไม่เคยเจอเนี่ยอู้น้ำท่วมแล้วพอน้ําขึ้นน้ําลงเรื่องธรรมดาเนี่ยอาการทุกข์ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่ค่อยเดือดร้อนพไยน้ําน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยแต่ถ้าคนในเมืองหลวงคนที่ที่เจริญเนี่ยซึ่งไม่มีน้ําขึ้นพอน้ําขึ้นมาก็โอ้น้ําท่วมแล้วนีก็ต้องหาเรื่องขอนู่นขอนี่กันี่แต่ทางบ้านผมนี่เขาน้ําขึ้นไม่ต้องขออะไร น้ำลงก็ไม่ต้องขออะไรน้ำขึ้นก็เก็บของขึ้นน้ําลงก็เก็บกว่าเท่าเองเนี่ ย, เ, ยเพราะฉะนั้นไอ้ความเคยชินที่อยู่น้ น, นานๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเริ่มตรงนี้ก่อนนะความเป็นธรรมดาความเคยชินมันไม่เกิดเป็นธรรมดาไปอย่างผมเนี่ยใหม่ๆ ม, มันก็รับไม่ได้นะมันจะมองโลกในแง่ดีก็ไม่ได้นะมันจิตมันไม่ไปอะ่ะเพราะว่าเวลาเราเกิดปัญหาชีวิตเนี่ยเกิดร่างกายที่ผิดปกติเนี่ย จิตมันก็จมแช่เลยทาไมถึงต้องเป็นเราเนาะเนี่ยเราทำไมลําบากอย่างนี้มันเวรกรรมอะไรของเราโชคชะตาเราไม่ค่อยดีเลยมันไยเปรียบเทียบชีวิตที่ผ่านมาซึ่งมันดีๆอยู่แต่อยู่มาวันหนึ่งเรากลับมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการเปรียบเทียบจะมองภาพเราให้เป็นภาพเดิมไม่ได้มันเปรียบเทียบเท่าไหร่มันก็เราก็แย่ลงในปัจจุบันเราคิดอยู่อย่างนี้แหะมันก็คุกอยู่ทุกวันนาฬิกเข้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยนี่มันก็ มันก็เริ่มคิดนะไปคิดเรื่องอื่นบ้างมันไปคิดเรื่องอื่นบ้างไอ้ความพิการความทุกข์ของกายเนี่ยมันเกิดความชินชาโอ้เป็นเรื่องธรรมดาของเรามันเริ่มยอมรับโดยธรรมชาติยอมจำนนด้วยเหตุผลจับได้ตลอดจับได้มีเหตุผลยอมจำนนด้วยหลักฐานเรายอมจำนนด้วยเหตุผลรู้เราต้องเป็นอย่างนี้นะมันเริ่มยอมรับอะไรได้บ้าง อันนี้มันไม่ได้คิดในแง่ดีคิดว่ามันมันอยู่กับมันนานๆมาเลยเกิดการยอมรับโอ้เราต้องพิการอย่างงี้อย่างนี้เนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นการอยู่นานๆอยู่กับอาการแล้วนานๆเนี่ยมันเกิดความเคยชินได้จริงๆเลยเม่อไงคนคนที่เกิดมาพิการเลยเนี่ยมันทุกไม่มากนะเนี่ยทุกไม่มากแล้วแต่ถ้าอยู่มายี่สิบกว่าปีเนี่ยอย่างผมยี่สิบสี่ปีอย่างนี้แล้วพิการเงี้ยโอ้โหมันรับยากเงินนะ น่าเกิดมาโอ้เราเป็นงี้ตั้งแต่เกิดแล้วเป็นงี้ตั้งแต่เกิดก็สบายใจเนี่ยแต่พอเราตอนเกิดมาดีอยู่มาเรามันไม่ดีร่างกายเปลี่ยนแปลงมันก็พุกในตอนแรกต่อไปมันก็ไม่เคยดีกว่านี้อาศัยแพทย์แผนปัจจุบันเราก็ไม่หายหมอก็จนปัญญาแพทยทางเลือกก็จนปัญญาแพทยไหนก็รักษาเราไม่ได้หมอเทวดา หมอผีหมอใบยพูมสารัดหมอรักษาเราจนหายสงสัยเอเรื่องเวทมนตร์คาถาเข้าทรงหายสงสัยมันช่วยเรามันได้จริงๆเนี่ยทดลองขนาดนั้นช่วยเราไม่ได้เลยมันเกิดการอยอมรับว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยพอมันเริ่มจา ก, การยอมรับความเป็นจริงของเราก่อนเมื่อยอมรับจิตของคนเราเนี่ยใหม่ๆจะต่อต้านจะผลักไสจะไม่ชอบนะพอยอมรับปั๊บเนี่ย มันเริ่มมีความผ่อนคลายการยอมรับคือการปล่อยวางนะปล่อยวางแต่อาจจะวางไม่หมดแต่มันก็ผ่อนคลายไหมเรายอมรับสักอย่างว่าเราเป็นอย่างงี้นี่แต่นี้พอยอมรับได้เนี่ยศาสนาพุทธมีบทบาทตรงนี้บ้างเราได้เรียนรู้ว่าจะทํำยังไงที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้จะปฏิบัติอย่างไรคือเรายอมรับแล้วมันก็จบแค่การยอมรับมันก็ไม่ได้บางเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกอะ่ะใช่ไหม ย้อแล้วก็ทุกข์อีกอ่ะแต่ถ้ามีศาสนาเนี่ยมีหลักการวิธีการออกจากความทุกข์เนี่ยวิปัสสนาภาวนาออกจากความทุกข์ได้ก็หันมาสนใจเอ๊ยมันจะออกจากความทุกข์อย่างไรมันออกจากความทุกข์อย่างไรอธิการก็บอกว่ามองโลดในแง่ดีสิเวลาเรามีความทุกข์นะมองโลดในแง่ดีแง่บวกสิตอนที่จิตกำลังเสพความทุกข์อย่างสนุกสนานอย่างนี้นะ <c oughs> มันออกได้ไหม มันมองโลดในแง่ดีได้ไหมมันมองไม่ได้หรอกมันก็สนุกอยู่ความทุกข์อะสนุกนั่นอะออกไปได้มองดีไม่ได้หรอกในทุกมีสุขสุขมันอยู่ตรงไหนก็อยู่กับความทุกข์เจิงกว่าใช้จิตให้ความทุกข์มันจางคายหรือมันหายไปมันต้องหายนะแต่แวบเดียวไม่มีความทุกข์ตลอดไม่มีใครมีความทุกข์ตลอดชีวิตหรอกมันจะมีช่วงที่มันความทุกข์มันคลายไปอีตรงนี้แหละเราควรจะใช้ช่วงเนี้ยให้เป็นประโยชน์ คิดในแง่ดีได้แต่เมื่อความทุกข์มันจางคลายความคิดจะคิดในมอลในแง่ดีได้ เ, เราก็ใส่พอเราสึกอใจยอมรับความจริงแล้วาใส่ความอดทนอดทนไม่เป็นไรอดทนเพื่ออะไร เ, เพื่อรอเวลาไม่มีอะไรดีเท่าการอดทนแต่ในความอดทนนั่นเราโชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่มีญาติพี่น้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้จิตมันเริ่มดีแนละ้วนี่ก็หันมาสนใจพุทธศาสนา ผลใจเรื่องการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่มันสิ้นทุกได้นะอเราอยากจะสิ้นทุกไหมอยากพ้นทุกไหมยมันต้องปฏิบัติธรรมมันมีทางเลือกสองทางถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมรามวแต่อยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยอีกไม่ช้าเราก็ต้องตายไม่นานเราก็ต้องตายอยู่แล้วเราคิดว่าเราอยู่ไม่นานแล้วแต่นี่จะตายไปแบบเป็นทุกหรือหรือลองปฏิบัติธรรมมันมีโอกาสที่จะพ้นทุกได้นะมันมีทางเลือกสองทางจะเลือกทางไหน แล้วก็หันมาทางพ้นทุกขีกว่าอย่างน้อยเราไม่พน้นเราก็ได้ทํำสิ่งที่ดีๆที่ศาสนาเขามีไว้ให้ในช่วงสั้นๆเนี่ยช่วงแะยะเว่าสั้นๆก่อนจะตายเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับตัวเรามากที่สุดแล้วก็มองเห็นอ๋อการปฏิบัติธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์แล้วก็างานนี้นคือการทําประโยชน์การทําประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นเนี่ยสองอย่างเนี่ยเราจะทําได้ไหมมันคงจะยาก มันต้องลองทําดูก่อนเนี่ยมีอรยานมิตรมีครูบาอาจารย์คอยแนะนําเราก็ลองทําดูสิเราก็เริ่มทําช่วยตัวเองช่วยตัวเองเพื่อตัวเองช่วยช่วยเรื่องของกายแล้วก็ช่วยเรื่องของจิตก็คือเจริญวิปัสสนาช่วยจิตช่วยใจพอเริ่มต้นปั๊บเนี่ยคนเราพอเริ่มต้นปั๊บเนี่ยมันจะมองเห็นช่องทางเลยนะมันจะเห็นช่องทางพอเริ่มปั๊บมันจะเห็นช่องทางวอ๋อคุณจะไปอย่างไร ถึงอาจจะไม่สว่างไม่ปลงมันก็ได้เริ่มก้าวแรกนะอย่างเช่นเวลาเราไปไหนไม่ถูกไม่รู้จะไปไหนดีนอนอยู่ที่บ้านมันไปไหนไม่ถูกหรอกแต่ลองเปิดประตูบ้านออกไปมันเห็นทิศทางเลยมันเรียกเปิดใจนะผมใหม่ๆก็ปิดไม่ฟังไม่ไรเครียดทุกข์แต่พอเปิดใจรับฟังธรรมะนฟังธรรมะเนี่ยฟังพระจ้คุณโชดกนี่แหละยุบ ห, หนอเพราะหนอนี่ฟัง ไม่รู้เรื่องแนละ้วแต่ก็ฟังมาก่อนมีจันทพุทธสุขเขาฟังสลับกับธรรมกายอังคายมันเป็นรหัสเียธรรมากายก็ฟังวิทยุวิทุผมเปิดได้สถานีเดียวธรรมะอย่างอื่นไม่มีล็อกสานี้ไว้เลยยานกรอกเนี่ยจันทรพุทธสุขกับท่านเจ้าคุณเทเสียที่วัีแม่บอกวิทยุเครื่องนี้ไม่มีลิเกไม่มีเพลงเลยไม่มีแม่มีแต่ธรรมะตลอดทั้งวันเปิดธรรมะฟังรู้เรื่องไม่ร้ากไม่รู้เรื่องมากก็ฟัง มันเป็นกุศลฟังรล้วนางข้ามันก็ซึมซับมันเริ่มว่าวันไหนไม่ได้ฟังก็นอนไม่หลับกันแ้วแต่ธรรมะสิบหกปีนะอ่านมั่งฟังมั่งไม่ได้ไปฏิบัติเลยมันก็ดับทุกข์ได้ชั่วคราวดับทุกข์พอเรายอมรับแล้วก็อดทนแล้วก็ฝุกฝนจิตใจบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ยังไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงปัญญาที่ว่าแยกรูปแยกนามมันก็ยังไม่รู้จักตัวเองอะมันจะเป็นความคิดอะ พะเราฝึกไปมันก็เริ่มเนี่ยเริ่มอย่างเริ่มจากสมาธิที่ว่าบริกรรมยุบหนอพองหนอต่อมาก็ได้หลักของหลวพ่เทียนการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยไอเรามันนอนเฉยเฉยนี่มันภาวนาหลับตามันก็หลับในไปเลยนะหลับในมันก็ชนมัว่วชนกิเลสชนแล้วก็ไม่หลุดจากกิเลสเราก็พอเจริญสติเคลื่อนไหวเนี่ยมันปลุกมันปลุก การเคลื่อนไหวเนี่ยมันปลุกพลาดรู้ให้มันตื่นเหมือนเราเวลานั่งบริกรรมนั่งภาวนาเนี่ยมันก็ง่วงใช่ไหมแต่พอเดินจงกรมเนี่ยเอลียาบทมันใหญ่ขึ้นมันก็ปลุกให้เราตื่นเราก็พลิกมือเคลื่อนไหวไปมามันก็ทาให้จิตนี่มันมันมีการเคลื่อนไหวเพรอจิตเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เขย่าเขย่าไอ้พวกความคิดเขย่ากิเลสมันออกเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่นิ่งก็ถูกความคิดถูกความสงบเข้าแทรกพอเรารู้สึกตัวเคลื่อนไหวจิตมันก็ตื่นออกมา เดือนเดียวจิตตื่นมาเห็นรูปเห็นนามโอ้เราเข้าไปอยู่ในรูปในนามเราปเป็นหนึ่งเดียวกับรูปนามเพราะจิตมันตื่นออกมาเกิดสติเกิดปัญญาเห็นรูปเห็นนามที่มันมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ติดกันเห็นรูปเห็นนามไม่ติดกันรูปคือส่วนหนึ่งนามส่วนหนึ่งมันจึงไม่ติดกันอะเมื่อก่อนมันติดกันพอรู้ปั๊บมันไม่ติดกันแต่มันอยู่ด้วยกันรูปกับนามไม่ติดกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอาศัยอยู่ด้วยกัน นามต้องอาศัยรูปรูปต้องอาศัยนามแต่รูปนามต้องอาศัยสติปัญญาไม่งั้นพานรูปนามไปไม่รอดเริ่มรู้เริ่มเข้าใจมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มวิธีคิดวิธีปฏิบัติแล้วก็พอยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจมันก็จะมีการยอมรับยอมรับยอมรับได้กับทุกสภาพอ๋อเป็นธรรมดาของมันอย่างเดียมันเกิดการยอมรับต้องอาศัยประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยคิดเท่าไหร่มันก็ มันก็รู้นะแต่มันออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้เวลามีความทุกข์มรรคในแง่ดีไม่ได้ถ้ามีสติปับ๊บสติเนี่ยมันทำที่เป็นฝ่ายกุศลทำที่มีอุปาการามมากคือสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่เป็นกุศลพอเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยความคิดมันจะออกมาดีมันจะเอามอโรรคในแง่ดีไปเองมันจะรู้ว่าโลกเรามีสองอย่างมีดีกับชั่วมีสุขกับทุกข์เนี่ยสองอย่างเนี่ยถ้ามีทุกข เดี๋มันก็ต้องมีสุขดูดีๆเถอะมันสลับกันในโลกมีสองอย่างเนี่ยเขาเรียกมีโลกธรรมที่มีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีเนี่ยอยู่ในโลกต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์อย่าลืมมองหาความสุขมันก็มีไดเ้เวลาเรามีความผิดหวังอย่าลืมว่าสักวันแล้วก็ต้องสมหวังสองอย่างเนี่ยเนี่ยอย่าไปจมแช่ว่าจะต้องทุกข์ไปตลอดชีวิตสุขไปตลอดชีวิตไม่มีหรอกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย คนเราเนี่ยเป็นกลางๆทุนทุกคนนี่เป็นกลางๆเป็นกลางระหว่างคนที่ดีกว่าเราเก่งกับเราโทคดีกับเราแล้วก็อีกคนนึงโชคร้ายกับเราแย่กับเราเห็นไหมเราคือคนกลางๆทั้งหมดแหละเพราะนั้นเวลาเป็นทุกข์ก็อย่าจมแช่ว่าเราทุกข์สื้อโลกไม่ใช่ไอ้ที่แย่กับเราก็มีเช่อไหมแย่กับผมก็มีนะนอกจากจะเดินไม่ได้แล้วยังหายใจขัดๆแล้วก็กระพริบตายักหน้าไม่ได้ ไอ้ที่แยกกับเราก็มีทุกข์กับเราก็มีดีกับเราก็มีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอย่าไปสวิงซ้ายสวิงขวาเราเป็นกลางกลางเลือกเอาว่าเราจะเดินชีวิตแบบไหนอยากจะไปสุข ก, ก็ปฏิบัติรรมอยากจะเป็นทุกข์ก็หลงไมปเรื่อยๆมันเลือกได้นะเพราะนั้นใหม่ๆก็ต้องอาศัยการยอมรับอาศัยการอดทนแล้วก็ฝึกฝนแล้วเราก็จะออกจากไอ้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นได้ ถ้าเราไม่ยอมรับไม่อดทนไม่มองโลดในแง่ดีบ้างเนี่ยไม่มีทางแก้ปัญหาได้เมื่อใจดีแล้วอย่าประมาท ก, ก็ต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้จิตมันมีกําลังให้มันตั้งมั่นให้มันเข้มแข็งมันจะได้เป็นแค่กำลังอยู่ตัวกําลังอยู่ตัวเนี่ยเรารู้ดีกําลังดีขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่อยู่ตัวต้องฝึกเสมอๆ เ, เนี่การจรู้สติเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวความรู้สึกตั้งแต่ตื่นก็ทั้งหลับให้รู้สึกตัวเข้าไว้ให้รู้เข้าไว้ ไม่ใช่รู้ตอนเช้าแล้วหลงไม่ ต, ไ ต, ต, ต้องครึ่งวันข้อวันไปเก็บตกในตอนสองทุมครึ่งไม่ทันหรอกไปเก็บตกไปรู้ตอนสองทุ่มันไม่พอต้องหมั่นรู้เรื่อยๆให้จิตมันมีกาลังจะได้อยู่ตัวเมื่ออยู่ตัวมันก็ตอนนี้แม้เราไม่ตั้งใจรู้มันก็รู้เองได้เวลาอารมณ์เกิดขึ้นมันก็เอาชนะอารมณ์นั้นได้ต้องเริ่มจากการยอมรับ แล้วก็อดทนแล้วก็มองในแง่ดีมองหาทางออกมองแง่ดีคือมองหาทางออกจากปัญหาแล้วก็ลองทำดูเป็นประสบการณ์ถ้าไม่ลองไม่ไม่รู้เขาบอกว่าอะไรภาษิตีนของฝรั่งว่าก้าวและลมไปข้างหน้ายังดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ไม่มีโอสการณ์แม้แต่การลมลองดูนะไอ้ได้ไม่ได้นี่เป็นเบนึงไม่เป็นไรหรอก เด็ดลองก็แล้วกัน